จเจริญพรทุกๆทุกธาตฝั่งพอเทสนะไม่ต้องขนงมือเราไม่ต้องดัดแปลงอะไรให้ธรรมดาสำรวมใจสำคัญที่สุดทางร่างกายะใครถนัดนั่งคาสมานั่งไหย นัง่งขัดสมาธิไปใครถนัดพระเรียวก็นั่งพับเกียวใครทนัดนั่งเก้าอี้ก็นั่งเก้าอี้ธรรมะไม่เกี่ยวกับท่านัง่ง <c oughs> เวลาฟังธรรมนี่เป็นเวลาสําคัญสําคัญมากเหมือนเหมือนเวลาที่เราเข้าเฝา้าพระอุทธเจา้จาพระพุทธเจ้าของเราปรินญญานแล้ว ก่อนปรินิพพานเนี่ยท่านสั่งไว้ให้เอาตัมมาวินัยเนี่ยเป็นศาสดะงั้นในขณะที่เราฟังธรรมเราต้องทำใจว่าเรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องสำรวมจิตใจที่สงบจิตใจที่สำรวมกิริยา ว, วาจาอะไรต้องเรียบร้อยวาจาของเราเวลาปิดไม่นะไม่คุยกิริยามารญาตเรียบร้อย ไม่กระตุกกระตาถ่ายรองถ่ายรูปเลยนะไม่ถ่ายกี่ลังไม่สำคัญหรอกธรรมะสำคัญกว่ารูปมือถือใครเปิดห้ ก, ก็ปิดเสียนปิดเสียง้ายัานตะีควรคนอื่นครูบาอา จ, จารย์ย้ำมากเลยว่าเวลาอยู่ในวัดอยู่ในสถานที่ปฏิบัติเนะี่ยต้องไม่รบกวนคนอื่นแค่เราเดินดังนิดเดียวนะท่านดูล้ ไม่ให้เดินดางให้เดินมีสติเดินสมรู้บอกคนเขากําลังผลมาว่าจะได้มากได้ผลนะเราเดินกลงคราวเขาตกใจเราจิตถอนลงมาเนี่ยป่าบมาก้ <c oughs> การฟังธรรมก็ไม่มีเรื่องอะไรมากนะเรื่องของธรรมะเราเรียนเรื่องของกายของใจเหล่านี้แหละไม่พ้นเรื่องกายเรื่องใจไปเรื่เครื่องมือในการปฏิบัติ ปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติองค์ทีกายที่ใจไม่เกินนิยออกไปเป่นเครื่องมือที่จะใช้ในการปฏิบัติมันมีสองอันสติอันหนึ่งสมาธิอันหนึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญถ้าเรามีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องสิ่งที่ได้มาคือปัญญาถ้าปัญญาที่ถูกต้องเกิดขึ้นมันจะเป็นปัญญาที่เห็นความจริงของร่างกายจิตใจนี้ ของธาตุของขันธ์ของกายของใจถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจเมื่อไรนะเห็นความจริงแจ่มแจ้งเมื่อไรนะความยึดถือในกายในใจจะหมดสิ้นไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องแกล้งทำว่าไม่ยึดนะมันไม่ยึดเองถ้ามันเห็นความจริงของกายของใจได้ราไม่ยึดกายไม่ยึดใจไดนะ้จะไม่ยึดสิ่งใดในโลกอีกพวกเราจำท่านพุทธทาสได้ไห จำชื่อท่านได้ไหมท่านพุทธทาสสอนบ่อยๆนะสัพเพ ธ, ธรรมานารังพินิเวสายะคจริงเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนริกจะสอนพระอินทร์ไปธรรมะที่เด็นแก่นสารสาราสูงสุดเลยก็คือสอนบอกว่าไม่ยึดมั่นทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นคําว่าทำทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าไม่ยึดมั่นนะก็คือรูปนามกายใจของเราเนี่ย สูงสุดก็คือพระนิพพานสิ่งที่เราว่าธรรมนะคือกายคือใจของเราเนี่ยกับธรรมะอีชนิดหนึ่งคือพระนิพพานเขาไม่ยึดถือถ้าเราไม่ยึดถือในกายในใจไม่ยึดถือก็ถ้าสิ่งที่พ้นกายพ้นใจเอาไปคือพระนิพพานนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์จะอยู่ที่นั่นหลวงพ่อเรียนจากูบาอาจารย์นะท่านก็สอนการปฏิบัติมา หลวงพต่างกับครูบาอาจารย์ที่ท่านบวชตั้งแต่เด็กๆครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่สมัยก่อนนะท่านบวชมาแต่เล็กๆแต่บวชเนนอยู่กับวัดมานานหลายสิบปีชีวิตส่วนใหญ่ท่านอยู่ในวัดความที่จะรู้จักโลกในไนี้ท่านไม่รู้บวชแต่เล็กๆส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ก็พานั่งสมาธิภาวนา นั่งสมาธิภ า, านาแล้วจิตสงบแล้วท่านให้ถอยออกจากสมาธินะเวลาสมาธิเวลจิตมันเคลื่อนออกจากสมาธิแล้วท่านให้พิจารณาร่างอายเป็นการกระตุ้นไม่ให้จิตติดความสงบของสมาธิอยู่เฉยๆแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นคารวะมานานกว่าจะได้บวชอา ย, ยุตั้งสี่สิบแปดที่บวชช้าเนี่ยเพราะว่ามีภาระต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่บาดพ่อแม่ะ จะหมดภาระของพ่อของแม่เนี่ยอายุเยอะเพนาะนานานอยากบวชนะแต่ไม่ได้บวชจนทําใจเลยเมื่ อ, อไรเข้ามานั้นอายุสี่สิบแปดถึงจะได้บวชและชีวิตส่วนใหญ่ของหลวงพ่อเนี่ยเหมือนพวกเราเป็นฆราวาสไม่ใช่คนที่โตมาในวัดแต่ที่หลวงพ่อโตมาจากความเป็นฆ ร, ราวาสหลวงพ่อปฏิบัติในขณะเป็นฆราวาสเหมือนที่พวกเราเป็นอยู่ขณะนี้ ดังนั้นรรมาที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นธรรมะที่หมอที่กระวาดทำใดถ้าไม่ได้มาสอนหลวงพ่อให้นั่งสมาธิที่เหลายๆลชั่วโมงจริงหลวงพ่อนะหันั่งสมาธิมาตั้งเด็กนะตอนเด็กจริงจิงเรียนกับท่านพุทธีวัตรโสกราบนะเรียนได้นั่งสมาธิทำความสงบเดินปัญญาไม่เป็นเลยจนอายุยี่สิบเก้าปีสองห้าสองพร้อยี่สิบห้าไปเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนกรรมฐาน ท่านสอนให้ดูจิตดูใจตนเองมางคนที่หลังว่าทำไมท่านสอนแปลไม่สอนให้ดูจิตดูใจตนเองเมื่อเป็นกรรมฐานที่ฆราวาสทำได้การดูกายเนี่ยจะทำได้ดีต่อเมื่อเราส่งสมาธิส่งฌานะเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางของสมถะหยานิกส่วนการดูจิต ด, ดูใจเนี่ยเป็นเส้นทางของวิปัสสนาญานิก คนที่เดินด้วยวิปัสนาไม่ว่าจะเดินด้วยสมถ า, ายานิกหรือวิปัสสายาานิสนะสุดท้ายจะเข้าไปที่จุดเดียวกันคือศีลจะบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์เหมือนกันเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้อนอันเดียวกันแต่วิธีการนี้แตกต่างกันในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แค่ว่ามีดูกายดูจิตเท่านั้นนะมากมากกว่านั้นอีก ไม่ใช่ว่าแค่สมถะสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิถ้าเราจะเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบเนี่ยเราจะรู้เลยว่าท่านสอนไวหลากหลายมากเลยแนวทางปฏิบัติใหญ่ๆเนี่ยมีสามแนวหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาทำสมาธิไปก่อนออกจากสมาธิแล้วมาพิจนารณากายมาดูกายดูความเป็นจริงของกายอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นใช้ ปัญญานำสมาธินะไม่ต้องทำสมาธิก่อนนะมีสมาธิเพียงชัว่วขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิชัว่วขณะอาศัยสมาธิชั่วขณะเนี่ยมาเรียนรู้ความเป็นจริงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจในที่สุดก็เข้าใจความเป็นจริงของจิตใจนะและในขณะที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเข้าฌานอัตโนมัตนะิจะได้สมาธิขึ้นมาโดยอัตโนมัติ หลวงพ่อเคยเรียลกับุลวงป่ดุล น, นั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กเลยพอถึงขั้นโตขึ้นมานะท่านสอนให้เจริญปัญญาด้วยการดูจิตหลวงพ่อทิ้งสมาธิไปเลยรู้สึกว่าเสียเวลาไปยี่สิบสองปีไม่มีอะไรขึ้นมาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะทิ้งสมาธิไปเลยแล้วก็ดูจิตรวดไปอาศัยกำลังของสมาธิที่ฝึกอยู่ตั้งยี่สิบสองปีจิตมีกาลังมาก ตัวจิตดูอยู่ได้สองปีนะดูไปด้วยดูอยู่เจ็ดเดือนช่วงแรกดูอยู่เจ็ดเดือนหลวงปู่ก็ไปส่งขนันบ้านหลวงปู่ก็เล่าให้ท่านฟังนะแค่พูดนิดเดียวผมนั่งไปแล้วจิตมันเคลิ้มเคลิ้มลงไปท่านอธิบายหมดเลยหลังจากนั้นนะเราไม่ได้ส่งขันบ้านไม่ได้พูดแนละ้ท่านสรุปให้ฟังเลยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นนี้เป็นขณะขณะขณะไปท้นานาบอกจิตมันเข้าสมาธิ ตรงนี้จิตเข้าสมาธิตรงนี้จิตเดินปัญญาเลยยัง ม, มีหน้าเปรยบเทียงท่านนะเพราะขณะนั้นผมไปได้นั่งสมาธิผมดูจิตอยู่เฉยๆท่านบอกดูจิตเนี่ยจิตจะเข้าสมาธิอัตโนมัติได้นะงั้นจเจริญปัญญาไปก่อนเนี่ยสมาธิเกิดทีหลังก็ได้ในขณะอย่างน้อยที่สุดนะในขณะที่เกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเข้าฌานทุกคน อริยมรรคจะไม่เกิดในขณะที่จิตของเราร่อนเร่ทางตาหูจมูกลิ้นไตอย่างนี้เวลาที่อริยมรรคจะเกิดในจิตจะรวมลงที่จิตไม่รวมที่อื่นด้วยต้องรวมลงที่จิตตัวนี้นะมันเป็นตัวสําคัญบางสมาธิมันมีสองชนิดนะสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตไปรวมเข้ากับอารมณ์เช่นไปรวมกับพุทโธไปรวมกับลมหายใจอันนี้จะยังไม่เกิดอริยมรรคสมาธิอย่างที่สองเนี่ยจิตรวมลงที่จิตจิตถึงจิต จิตตา้มั่นอยู่ที่จิตจริงจริงรมักจะเกิดได้ก็ตรงที่จิตเนี่แหละการปฏิบัติไม่ใช่แค่มีสมาธินำปัญญาปัญญานําสมาธินะยังมีอีกแนวหนึง่งคือสมาธิและปัญญาควบ ก, กันซึ่งคนยุคนี้ทําได้น้อยลูกศิษย์หลวงพ่อที่หลวงพ่อสอนมานับจํานวนไม่ท้วนนะมีคนที่เดินในแนวสมาธิและปัญญาควบ ก, กันเนี่ยนับตัวไดนะ้มีไม่กี่คน คนที่จะใช้สมาธิและปัญญาควบ ก, กันได้เนี่ยต้องชานาญสองอย่างหนึ่งชำนาญในฌานเป็นฤาษีเลยเข้าฌานอย่างเป็นฤาษีเลยชํนานาญในการเข้าชํนานาญในการทรงอยู่ชํนานาญในการออกจากฌานอันที่สองจะต้องชํานาญในการดูจิตดู ก, กายเก่งเนี่ยจะไปเดินปัญญาในฌานไม่ได้และจะต้องเข้าฌาญแล้วออกมาแล้วมาดู ก, กาย พวที่เดินปัญญาในฌานเนี่ยเขาจะเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปขององค์ฌานเช่นเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของวิตตุปิจารณ์ของกิติของสุขของอุเบกขาเห็นสิ่งเหล่นั้นเสื่อมไปสิ้นไปในยุคเราเนี่ยคนทำได้มีน้อยเพราะว่าคนที่ทาําฌานได้มีน้อยมากเลยแต่ทั้งในสมัยพุทธกาลนะในสมัยพุทธกาล คนที่ทําฌานได้แล้วไปเดินปัญญาจะเป็นพระอราหันต์มีน้อยกว่าคนที่ทําไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คือคนอย่างพวกเรานี่แหละไม่ใช่ว่าเขาา้าฌานเก่งทุกคนนะถึ่จะเป็นพระอราหันต์ได้แล้วเข้าใจผิดไร้เลยในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกพิชุยศุกร์ทั้งหลายในบรรดาพระอราหันต์จํานวนห้าร้อยองค์เนี่ยมีพระอราหันต์ที่ได้วิชาสามเนี่ยหกสิบองค์คนได้วิชาสามนะ เราดูชาติได้นะรู้ว่าใข่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลนได้นี่วิชาศาสตราเหล่านี้สรงชาตต้องเล่นชาติมา ก, ก่อนอีกพวกหนึงนะ่งท่านได้อภิญยาหกหกสิบหกอภิญญาหกแสดงฤทธิ์ได้โหทิพตาทิพเจโตปริยะญาอะไรพวกนีนะ้พวกนี้ก็สรงชาตนะมีหกสิบอีกพวกหนึ่งเป็นอุปโตภาควิมุตต่อุปโตภาควิมุตต์เนี่ยคือตามที่ปรรลุมรรคผลนะ เข้าอารูปฌปานไม่ใช่เข้ารูปฌานเข้าถึงอรูปเลยว่นนี้มีหกสิบมงเง่ายกระทั่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านที่ทรงฌานแล้วมาเป็นพระหันะ่ะมีหกสิบบวกหกสิบบวกหกสิบหกสามสิบแปดร้อยปดสิบจากห้าร้อยก็คือสามสิบหกเปอร์เซ็นตส่วนที่เหลือคือคนอย่างพวกเรานี่คนที่ไม่ได้ฌานแต่อาศัยสมาธิ ช่วงขณะที่เรียกว่าคณิกะสมาธินะก็อาศัยสติเป็นเครื่องมือพวกเราอย่าลึกนะว่าเราทําฌานไม่ได้แล้วเราจะปฏิบัติช้ากพ่าพวกทําฌานได้ไม่ใช่เข้าใจผิดเลยนะคนทําสมาธิได้เข้าฌานได้บางทีก็ทําทความสงบแล้วก็ติดอยู่ที่ความสงบนะั้นะติดอยู่หลายๆปีนิ่งว่างๆอยู่นั้นเดินต่อไม่ได้จริงต้องเดินปัญญาเป็น คำว่าเดินปัญญาเนี่ยก็คือการเห็นกายเห็นใจมันแสดงไตรลักษ์ให้ดูไม่ใช่การคิดเอาละนะแต่ทำไมบางทีครูปาอาจารย์ท่านสอนให้คิดพิจารณาร่างกายอันนั้นเป็นแค่อุบายสำหรับพวกที่ติดสมาธินิ่งเฉยอยู่นั้นถ้าพวกเราไม่ได้ติดสมาธินี่นะไม่จำเป็นเลยอีกอย่างหนึ่งการพิจารณายที่ท่านทำกันเนี่ยนะเป็นวิธีที่จะหัดแยกรูปแยกนาม แยกกายแยกใจถ่านพิจารณาร่างกายจนร่างกายเนี้ยสลายหมดเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่มีร่างกายนะเหลือแต่จิตอันเดียวท่านพิจารณากายไปได้เผามันบ้างฉีกมันบ้างทําลายมันบ้างแต่จิตรวมลงไปเหลือแต่จิตอันเดียวพอออกจากสมาธิจิตเคลื่อยจากสมาธิเกิดร่างกายมีร่างกายขึ้นมาเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกซาบซึ้งถึงใจเลยว่าร่างกายกับจิตเนี้ยเป็นคนละอันกันเมื่อกี้ไม่มีร่างกายตอนนี้ร่างกายเกิดขึ้นมา เห็นกายกับจิตเป็นคนละอนเป็นแค่วิธีนะวิธีแยกกายกับใจออกจากกันจุดสำคัญก็คือถ้าเราจะลงมือปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องพัฒนาเครื่องมือสองตัวเลยมาเครื่องมือตัวที่หนึ่งคือสติที่ถูกต้องเครื่องมือที่สองคือสมาธิที่ถูกต้องเราพอเล่นสมาธิมาแต่เจ็ดขบนะเื่งสมาธิไดเล่นมาเยอะเลยใครใครเเล่นแบบไหนก็าเล่นก็เขาได้ ส่นใหญนะเลยรู้อย่างหนึ่งว่าสมาธิมีสองชนิดอันนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งมากๆเลยนะอย่างหลวงปู่เทศนะท่านเคยสอนเรื่องสมาธิสองชนิดนี่สมาธิชนิดที่หนึ่งเลยจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนี้เป็นสมาธิสาธารณะหมายถึงว่านอกาศาสนาพุทธก็มนะีอย่างเขาสวดมนต์เขาละหมาดนะเขา ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอะไรนจิตใจเขาจดจ่ออยู่กับพระเจ้าไม่วอกแมกไปที่ไหนเลยก็ได้สมาธิอย่างนี้แหละสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวหรือพวกเราหัดพุทโตพุโตนะจิตสงบอยู่กับพุทโธไม่หนีไปไหนเลยนี่สมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์ันนั้นคือพุทโธรู้ลมหายใจแล้วจิตไม่หนีไปจากลมหายใจเลยก็ได้สมาธิที่จิตไปสงบในอารมณ์เดียวคือลมหายใจ ดูท้องฟองยุบนะจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตอยู่ที่ท้องอย่างเดียวก็ได้สมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในรมันเดียวเนื้อสมาธิอย่างนี้มีทั่วๆั่วไปนะใครๆก็ทําทกันส่วนใหญ่ที่นั่งสมาธิกันจะทําสมาธิชนิดนีดน้แหละไม่รู้จักสมาธิอีกชนิดหนึ่งซึ่งเปสมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิชนิดที่จิตไปสงบอยู่ในรมันเดียวเนี่ยเอาไว้พักผ่อนเอาไว้ทําสมมาถากรรมฐานไม่ได้เอาไวท้ทํำนิพพสนา ไม่ได้ไวเดินเตือนปัญญาสมาธิช น, นิดที่สองที่จะใช้เจริญปัญญาเนี่ยคือสภาวะที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตนั้นถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบักเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนนะหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลแล้วว่าเข้าใจพิธีปฏิบัติอะไรหลวงปู่รับรองแล้วว่าเข้าใจแล้วช่วยเตือนได้แล้วหลวงพ่อออกไปหาครูบาอาจารย์อื่นหาประสบการณ์ เรียนไปเรื่อยเลยจากหลวงปู่ดูลวิหาหลวงพ่อพุทธหาโลวงูเทศตหลวงปู่สิมหลวงปามหาบุญไปหาไปทั่วนะครูบาอาจารย์องค์สุดท้ายที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยคือหลวงปู่สุวัสดิ์ที่ท่านเด็กก่อนท่านอยู่ที่นี่เหมือนกันหลวงปู่สุวัสด์เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์องค์สุดท้ายเลยที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยหลังจากนั้นไม่ได้เรียนกับใครอีกครูบาอาจารย์จำนวนมากที่ไปเรียนด้วยนะท่านสอนลงมาที่เดียวกัน ลงมาที่จิตนี้ท่านสอนว่าพุทโธให้อัานพุทโธแต่พุทโธนั่นน่ะแล้วค่อยรู้ทันจิตอะไรคือพุทโธเรื่เราเคยใครเคยหัดพุทโธบ้างยกมือซิมีไหมพุทโธพุทโธรู้ไหมพุทโธคืออะไรพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้จิตนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน งันะ้ถ้าเราจะหัดพุดโทโธนะไม่ใช่พุโทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองนะพุโทโธนกแก้วนกขุนทองจิตสงบอยู่กับพุโทโธก็ทําสมถะถ้าพุโทโธเป็นนะจิตจะถอนตัวมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีหัดพุดโทโธให้ถูกถูกหลักถูกเกณฑนะ์ก็คือเวลาพุโทโธเนะี่ยไม่ใช่มุ่งให้จิตไม่ใช่น้อมจิตไปอยู่กับพุโทโธแล้วสงบอยู่กับพุโทโธ แต่ให้คอยรู้ทันจิตที่มันหนีไปจากพุทโธเนื่อต่างกันนะถ้าเราน้อมจิตให้ไปอยู่กับพุทโธเป็นสมถะแต่ถ้าเราพุทโธแล้วเราคอยรู้ทันจิตจิตมันหนีไปจากพุทโธเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตนนมัตเพราะเราคนไหนเคยได้ยินชื่อคุณแม่จันดีบ้างไหมคุณแม่จันดีน้องสาวหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวรับรองนะ ว, ว่าท่านภาวนาดีที่สุดแล้วละ่ะ ตั้งแต่ปี2535คุณแม่จันดี เ, ยเคยถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ภาวนาอย่างไงถ้าไม่จิตมันลงอย่างเดียวกันได้หนะลวงพ่อบอกคุณแม่จันดีบอกหลวงพ่อหัดหายใจตั้งแต่เด็กหายใจเข้าหายใจออกนะคือดทั้ลงลมหายใจตื้นกลายเป็นแสงสว่างว่าลมมันเกิสวางอยู่ที่เนี้ยเพราะลมมันจุดอยู่ตรงนี้กลายเป็นแสงแล้วหลวงพ่อคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป อยู่กับแสงสว่างเนี่ยแล้วจิตเคลื่อนไปแล้รู้จิตเคลื่อนไปรู้จิตก็ตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึนะ้นมาถ้าจิตตั้งมั่นเด่นดวงเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยค่อยเจริญปัญญาค่อยมันเจริญปัญญาหลวงพ่เจริญปัญญาด้วยการดูจิตดูความเปลี่ยนแปลงของจิตคุณแม่จันเดยท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่านเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจหลวงตามหาวัวสอนให้ท่านพุทโธนั้นท่านพุทโธแต่ท่านพุทโธแล้ว ท, ท, ท่านก็กําหนดจิตไว้ที่นี่เองนะก็สว่างขึ้นมา พุทโธพุทธะจิตเครื่อนแต่เรารู้แม่หลักเดียวกันนะเงันหลักที่พวกเราจะมาฝึกให้ได้จิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็ใช้วิธีทำกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ถนัดไม่จำเป็นม า, าต้องพุทโธไม่จำเป็นต้องหายใจอย่างที่หลวงพ่อทำหรอกนะอะไรก็ได้สิอย่างหนึ่งอย่างหลวงพ่อเทียนท่านขยับมือใครเคยได้ยินชื่อท่านไหมหลวงพ่อเทียนแล้วก็พระอี๋หนึ่ง ไม่ใช่ลูกศิษย์หลบผมมั่นหรอกแต่ว่าเป็นพระนี่ไม่ได้ผูกขาดว่าสายใดสายหนึ่งต้องดีสายเดียวใช่นะใจแคบไปหลวงพ่อเตียนขยับมือนะแล้วท่านรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดมันใช่หลักเดียวกันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนั่นเองแต่ขยับมือแล้วก็จิตหนีไปคิดปุ๊บรู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาหลวงพ่อเตียนเลยสอนบอกว่าถ้ารู้ทันว่าจิตคิดเนี่ยจะได้ต้นทางการปฏิบัติ ต้นทางของการปฏิบัติก็คือได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองหลวงพูดุลก็สอนนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดสอนอย่างนี้นะคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดหมายถึงไงหมายถึงว่าถ้าจิตมันคิดให้มันคิดนะไม่ห้ามแต่พอจิตมันคิดเนี่ยเรารู้ทันว่าจิตคิดจิตคิดจะดับทันทีที่รู้ทันว่าจิตมันคิดจิตคิดจะดับที่เกิดจิตรู้ขึ้นโดยอัตโนมัติ ท่านบอกคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่มันหยุดคิดด้วยการที่มันรู้ทันความคิดรู้ทันจิตที่คิดนะตอนที่หลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลครั้งแรกวันแรกที่เรียนกับท่านเลยเมื่อ6กุมภา2525เรียนเสร็จแล้วนั่งรถไฟจากสุรินทร์กลับมากงเทพไปแวะกลับหลวงพ่อพุทธไหมขึ้นรถไฟนะมรงเทพต่อหลวงพ่อพยายามจะดูจิตตัวเองพยายามหาว่าจิตอยู่ที่ไหนนะ ดูทั้งในร่างกายของคนเล็กฟันหนงยยังเนื้ยกระดูกหาจิตไม่เจอดูไปที่ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็หาจิตไม่เจอสุดท้ายหลวงพ่อสวดมนต์ในใจสวดมนต์ก็คือการคิดนั่นเองคิดขึ้นมาคิดบทสวดมนต์ขึ้น ม, นมาพุทธโธสุสุธโธกรุณามหันโม พ, พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาทั้งพุ่งมาหันลรู้ทันว่าจิตคิดพุบจิตรู้ก็เด้งขึ้นมาเลยพุบขึ้นมาเลยเลยรู้แล้วว่าไอ้อตัวนี้ตัวเก่านะตัวเดิม ไปทำได้มาถ้าแต่หัดนั่งสมาธิรู้ลมหายใจแล้วล่ะมันตัวเดียวกันนะเนี่งั้นตัวรู้เนี่ยเราได้มาหลายแบบนะทําได้หลายแบบ ท, ท, ทําสมาธิมาจนกระทั่งได้ตัวรู้ขึ้นมาก็มีนะหรือรู้ทันว่าจิตมันไหลไปคิดก็จะได้ตัวรู้ขึ้นมานะเงั้นเราต้องมาฝึกนะเจนกระทั่งเรามีตัวรู้เวลาที่มีตัวรู้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอนกัน ม่นจะเห็นเองว่ากายกับใจแยกออกจากกันมันจะเห็นเองนะว่าความสุขความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจมันแยกออกไปอีกส่วนหนึ่งมันจะเห็นได้เองนะเวลาจิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาว่ากุศลและอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่จิตหรอกมันแยกออกไปจากจิตอีกะเวลาหันไปเรื่อยนะถ้าถ้าเมื่อไหร่มีตัวรู้นะขันมันจะแยกร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเรียกรูปประขันแยกออกไป ความสุขความทุกข์เราเรียกว่าเวทนาขันแยกออกไปอยู่ต่างหาเกเวทนาความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตะจิตเป็นวิญญาณขันหรือกุศลอกุศลทั้งหลายก็แยกออกไปอีกส่วนหนึ่งนะเป็นสังขารขันเจนมหาบัวรูปท่านเคยเจนมหาบัวเคยสอนนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาใช่ไหมท่านฟันธงขนาดนี้เลยนะ ดั้นถ้าเราอยากเจริญปัญญานะถ้าเราเจริญปัญญาได้ถูกต้องได้มากพอเราจะได้มรรคผลนิพพานถ้าเราไม่เจริญปัญญาทำแต่สมาธิไม่มีทางได้มรรคผลนิพพานหรอกสมาธิไม่ได้ได้ไม่ได้ให้มรรคผลนิพพานเราสมาธิอย่างสงบก็ให้ความสงบสมาธิอย่างตั้งมั่นก็ตั้งมั่นขึ้นมาเฉยๆนะพอจิตตั้งมั่นได้ต้องอัดเรียกท่ากขันต่อไปนะค่อยๆดูไป วิธีที่พวกเราจะฝึกแยกธาตแยกขันน้ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกเดีย๋ยวพวกเราขนาดนี้นั่งอยู่แทนที่นั่งแล้วจะใจลอยไปที่อื่นนะนั่งแล้วคอยรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกออ่างนี้ก็ได้นะเวลาใจเป็นนี้ไปคิดรู้ทัดดทนใจมันก็จะกลับมาเป็นผู้รู้เพราะใจมันมาเป็นผู้รู้แล้วดูลงไปอีกร่างกายมันนั่งอยู่ใจเป็นคนดู ร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้ให้มากๆนะในที่สุดเราจะเห็นว่ากายกับใจแยกออกจากกันอย่าไปจมใจแยกเขาต้องแยกของเขาเองก็ากายกับใจแยกออกจากกันได้นะจึงจะเจริญปัญญาได้ที่จะเห็นได้ร่างกายไม่ใช่เรานะร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่เราเลยไม่ต้องคิดเอาว่าเป็นเราหรือไม่เป็นเราแต่มันไม่เป็นเราอยู่ต่อหน้าต่อตานี้แหละ ความสุขความทุกข์ที่เกิดนะอย่างเช่นเรานั่งนั่งให้หนานๆนะอย่ารีบกระดุกระดิกนั่งไปเรื่อยๆสักพักเดียวนั้นจะปวดปวดเมื่อยคนส่วนใหญ่พอปวดพอเมื่อนะก็จะขยับเปลี่ยนอุปัฏฐาบทไม่ยอมรู้เลยว่ากําลังปวดอยู่พวกเราอย่าเพิ่งขยับเวลามันนั่งไปอดทนหน่อยพันั่งไปมันปวดขึ้นมาเราค่อยๆสังเกตไปร่างกายมันนั่งอยู่ตั้งนานแนละ้ ความปวดความเมื่อยเป็นมาทีหลังเพราะฉะนั้นความปวดความเมื่อยกับร่างกายเนี่ เ, นเป็นคนละอันกันนี่เป็นการหันแยกแยกขันนะที่หลงตามมหาบัวแยกธาตยขันไม่เป็นจะมาอวดเราว่าเดินปัญญานะนั้นเรามาต้องมาห า, านแยกธาตุแยกขันแยกธาตแยกขันได้เนี่ยจิตต้องเป็นคนดูเมื่อจิตเป็นคนดูแล้วเนี่ยถ้าสตินั้นมันรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูสติมันไปรู้วความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้น มันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์มันจะเกิดกันยาขึ้นเห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูสติไปรับรูร้ว่าโรคขึ้นมาโกรธขึ้นมาหลงขึ้นมาแล้วฟุ้งซ่านแล้วอดหู่แล้วเนี่ยสตินตัวไปรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใกายในใจแในจิตตั้งมั่นเป็นคนดูถ้าทําได้อย่างนี้ก็จะเห็นว่ารโรบกรธหลงก็ไม่ใช่เรานะเป็นสภาวะที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชว่วคราวไม่ใช่จิตด้วยเนื้อหาอย่างนี้มากๆากนะ ถ้าเราอยากได้มาผลนิพพานในชีวิตนี้าาก็หันให้เยอะๆหน่อยส่วนการทําบุญทําทานรักษาศีลนกะ็ทําไปเถอะนะทําบุญทําทานรักษาศีลก็ดีไม่ใช่ไม่ดีะแต่ไม่ไปนิพพานหรอกจะไปไม่ได้กําลังของบุญอย่างนั้นมันต่าไปนั่งสมาธิไม่ได้พาให้ไปนิพพานะกําลังบุญของการนั่งสมาธิก็ ย, ยงังต่ำไปสิ่งที่จะพาเราไปนิพพานได้คือปัญญาแต่ปัญญาเกิดลอยๆไม่ได้ เราอาศัยสีน่ะอาัยสมาธิอาศัยการเจริญสติเจริญปัญญาเนี้ยบ่อยๆจะทําใช่นะจิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้สักก่อเหมือนงานแรกที่พวกเราต้องทํานะไม่นับการรักษาศีนะรักษาศีเป็นงานเบสิกที่ต้องรักษาอยู่แล้วสิ่งที่เราจะต้องมาทําก็คือการมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าฝึกสมาธิที่ถูกชนิดสักก่อน วิธีฝึกให้ใจอยู่อับ น, นื้อกับตัวก็คือทํากรรมาฐานข well ึ mm ้นมาอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแล้วรู้ทันเวลาจิตมันนี้ไปคิดใครทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งใครถนัดพุทโธก็พุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธจิตนีไปคิดเรารู้ทันใครถนัดดูลมหายใจว่าหายใจไปจิตน <arm styles. S 2> ี้ไปคิดเราดูทันะคนไหนถนัดดูท้องผองยกก็ดูไปดูไปแล้วก็จิตนี้ไปคิดเรารู้ทันจิตมันเคลื่อนเรารู้ทัน เคลื่อนไปเพ่งหลงหายใจก็ได้นะก็ให้รู้ทันเคลื่อนไปดูท้องของยุบก็ได้ให้รู้ทันอันที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนนั่นหะจิตจะตั้งมั่นไม่เคลื่อนนะโดยที่ไม่ได้บังคับไว้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะแล้วจิตจะตั้งมั่นเองที่ใช้หลักนี้นะอยู่ๆไปบังคับให้จิตไม่เคลื่อนเลยจะแน่นไปหมดเลยตึงไปตึงเกินไปถ้าจิตเคลื่อนไปแล้วเราไม่เห็นเนี่ยหย่อนไปกลัวจิตจะเคลื่อนแล้วบังคับไว้อันนี้ตึงเกินไป แต่ถ้าจิตเคลื่อนเราเรู้ว่าเคลื่อนจะตั้งมั่นพอดีทางสายกลางอยู่ตรงนี้ฝึกตัวนี้ให้เยอะเลยเพราะจิตใจอยู่กันเนื้อกันตัวนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่ลืมตัวไม่ลืมกายไม่ลืมใจถ้าลืมกายถ้าลืมใจเดินปัญญาไม่ได้รการเดินปัญญานั้นต้องดูความจริงคือไตรลักษณ์ของกายของใจถ้าเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจไม่ได้เดินปัญญานะเลือขาดสติ ถ้ามีสติก็ต้องรู้สึกกายรู้สึกใจมีจิตใจตั้งมั่นเป็นคนดูกายเป็นคนดูใจรรมาทํางานไะด้ฝึกเบียด น, นี้ให้มากนะถ้าจิตมันเดินปัญญาเป็นนะั้นจะเริ่มถอนตัวออกจากโลกงาแรกเลยที่มันจะถอดตัวออกนะจะถอดตัวออกจากอารมณ์ที่ไม่เข้าพิจับจิตของเราเนี่ยชอบโดดเข้าไปตะครุบอารมณ์นะถ้าเดินปัญญาเป็นมันจะถอนตัวออกจากอารมณ์ได้ อารมณ์คืออะไรคือรูปที่ตามองเห็นคือเสียงที่หูได้ยินคือกลิ่นที่จมูกไปรู้คือรสที่ลิ้นไปรู้นะคือความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มันสัมผัสร่างกายสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอารมณ์หรือความคิดนึกทางใจเรียกว่าอารมณ์ปกติจิตของคนจะไหลไปหาอารมณ์ตลอดเวลาเวลาเราเห็นรถชนกันเราไปดูรถชนกันขณนะนั้นที่นั้นที่เราไปดูรถเข้าชนกันนะ่ะเราเห็นอะไรเราเห็นรถชนกันใช่ไหม ในขณะนั้นลืมกายในขณะนั้นลืมใจนี่จิตเราลงไปที่อารมณ์คือรูปที่ไปเห็นเราได้ยินผนว่าคุยกันนี่มันยินท า, าเราเหรือเปล่านะสนใจขณะที่สนใจสิ่งที่เขาคุยกันนะเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตมันลงไปทางหูขณะที่เราคิดเรารู้เรื่องราวที่คิดแต่ขณะนั้นเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมนี่หลงไปทางใจ เวลาที่พวกเราคิดอะไรเกยนไม่เวลาที่เรานั่งคิดอะไรเพลินๆยู่กัดก็ไม่รู้นะหรืออะไรเกิดขึ้นไม่รู้นะก็อะไรเข้าใจมันลงไปมันอะไรเกิดในกายก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็ไม่รู้เนี่ยปกติเราจะหลงไปที่อารมณ์ตลอดเวลาจิตเรียกว่าจิตมันหลงไปที่อารมณ์ถ้าเรามาหัดปฏิบัติจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะไม่จะเห็นว่าอารมณ์เป็นของข้างนอกอารมณ์นี่ยไม่ถึงร่างกายด้วยซ้ำไป อย่างรูปที่มองเห็นเนี่ยไม่ใช่ร่างกายใช่ไหมไม่ใช่ตาเสียงที่ได้ยินไม่ใช่หูนี่มันดูไกลออกไปจากตัวเองเวลาที่จิตเราหลงอารมณ์นะเราจะลืมกายเราจะลืมใจตัวเองรู้จักใจลอยไหมใครรู้จักใจลอยไหมเวลาใจลอยนืกออกไหมมีร่งางกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมงั้นเมื่อไราใจลอยก็หลงอารมณ์ลืมกายลืมใจตัวเองใจลอยกนะ็จะใจลอยไปดู จะลอไปฟังจะลอยไปคิดนะจะรอยไปดูตรงนี้มีรูปดวงตานะเป็นรูปที่สวยมากเลยผ่องใสมากเราตั้งใจดูสิเราเห็นความสงบและร่าเริงภายในของท่านไหมสังเกตไว้ขณะที่จงใจดูลวงตานะเรามีกายเราก็ลืมใช่ไหมเรามีใจเราก็ลืมเนี่ยเรียกว่าหลงอารมณ์แล้วนะ แต่เราออกข้างนอกแต่เราไหลไปข้างนอกหลวงปู่ดูลบอกยาส่งจิตออกนอกนะงั้นเวลาเราไปดูนะเราก็ลืมกายลืมใจ<อ>ใเวลาเราไปฟังเราก็ลืมกายลืมใจใเวลาเราไปคิ ด, เ, เ, รคดเราก็ลืมกายลืมใจหลวงปู่ดูลเรียกว่าโศกจิตออกนอกไหลไปข้านอกหมดลืมตัวเองถ้ามาันลืมตัวเองจิตมันไปคลุกกับอารมณ์นะแล้วเมื่อไรสติหรือสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บนะมันจะหลุดออกจากอารมณ์เราหลวงพ่อหันใหม่ๆ เห็นโยเหมือนพวกเรานี่แหละเราพ่อเคยสังเกตเห็นเนะจิตมันเข้าไปจับอารมณ์นะเป็นก้อนอยู่กลางหน้าอกนี่เลยใครเคยเห็นตัวนี้ป้ะจิตนเข้าไปจับอารมณ์เยอนะเละแน่นอยู่กลางหน้าอกเลยถ้าจับแรงก็แน่นมากนะจับเบาๆก็แน่นน้อยหน่อยจิตเข้าไปจับนะหลวงพ่อพยายามดูท่ามัจะหลุดออกมาให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแยกออกจากอารมณ์นะหัดใหม่ๆแนละ้วตั้งเจ็ดวันนละ้วแยอกมาได้แป๊มเดียวเข้าไปจับใหม่ นะพยายามดูใหญ่ค้นคว้าพิจารณาหลุดออกมาได้อีกห้าวันแนละ้วหลุดออกมาได้แวบหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีแล้วไม่เกินห้านาทีเข้าไปจับอีกเนี่ยพยายามฝึกนะปพยายามที่ให้มันแยกแยกแยกมันไม่แยกจริงจนกระทั่งวันหนึ่งนะมันมีปัญญาขึ้นมะามันเห็นเลยว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวทุกขนะ์จิตไปจับอารมณ์ที่ไรจิตหลงออกไปยึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสยึดสัมผัสยึดเรื่องราวที่คิดนะ ควาทุกข์จะเกิดขึ้นในใจทุกทีจะแน่นขึ้นมาเพราะมันรู้ตัวนี้นะมันไม่จับอารมณ์นะมันจะปล่อยออกมาจากอารมณ์พอจิตปล่อยอารมณ์ถ้าจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นตัวผู้รู้เลยไม่ไหลไปจับอารมณ์ตัวผู้รู้กับตัวผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้ยึดถืออารมณ์นะมันกลับข้างกันะถ้าเราจิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาจริงมันจะไม่เข้าไปจับอารมณ์หรตัวผู้รู้เนี่ยถ้าเอาเป็นผู้รู้ขึ้นมาด้วยการทําสมาธิเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนก็จะได้ผู้รู้ชกลังช่วล่า แต่ถ้ามีปัญญาเกิดขึ้ น, นเห็นเลยว่าถ้าจิตไปจับอารมณ์แล้วจิตจะทุกข์นะมันจะไม่เข้าไปจับไม่ได้เจ ต, ตนานะจะถอนตัวออกมาจากอารมณ์ได้เองเนื่องเราหัดภาวนาเนี่ยเบื้องต้นนะถึงยังไม่ใช่พระอริยบุคคลนะจิตก็แยกออกจากอารมณ์ได้จิตถอนตัวจากอารมณ์ได้จิตปล่อยวางอารมณ์ได้แต่มันมาเกาะอยู่ที่กายที่ใจไม่ปล่อยนะทาไมมันปล่อยกายปล่อยใจไม่ได้ปล่อยอารมณ์มันง่ายเป็นของข้างนอก ยัง่อง่ายหลวงให้พยายามฝึกนะตอนนั้นตอนเป็นโยมนะพยายามฝึกว่าทําไงในสมวินาทีนี้จิตจะหลุดออกจากอารมณ์ได้ทุกคราวที่จิตเข้าไปจับอารมณ์นะภายใน3มวินาทีต้องหลุดให้ได้แล้วพยายามฝึกนะพยายามฝึกเรืนะ่อยทําสมาธิจิตตั้งมั่นก็ถอนได้เหมือนกันแต่ว่านี่ยังไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นการแก้อากาศที่จิตไปจับอารมณ์แต่ละแ้วจิตจับอารมณ์เมื่ไหร จิตจะลืมตัวเองเราไม่ต้องการให้จิตลืมตัวเองต้องการให้จิตเป็นผู้รู้ถ้ามาใช้วิธีรู้ทันจิตให้ขับเคลื่อนไปเคลื่อนไปจับอารมณ์นะจิตก็ได้เป็นตัวรู้ขึ้นมารู้จักหลวงปู่สินไหมหลวงปู่สินหลวงปู่สินเจอหลวงพ่อนะหลวงปู่สินท่านไม่รู้จักชื่อเจอหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้ไม่ทําอย่างนี้อะไรอนี้สอนอย่างนี้ะทําไมเรียกหน่อยว่าผู้รู้เพราจิตเราเป็นผู้รู้จิตเราตั้งมั่น ท, ทั้งที่เป็นกะลาว้านนี่แหละจิตตั้งมั่นเป็นผูรูใดต้องฝึกนะงั้นเราคอฝึกวิธีฝึกก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเราจะได้จิตที่เป็นผูรู้ขึ้นมาต่อไปพอจิตหลงอารมณ์ปุ๊บนะรู้ทันปุ๊บนะ่ะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเลยในเวลาสั้นยิ่งเร็วยิ่งดีนะเกิดลถความตายมีเวลาสองวินาทีสามวินาทีจิตจะได้ตั้งมั่นจะได้ไม่ไปอบายนะเราฝึกต่อไป นี่จนการที่จะมาปล่อยอันที่อันแรกเนี่ยปล่อยอารมณ์นะอันนี้ง่ายปล่อยที่ยากขึ้นมาคือปล่อยวางกายปล่อยกายนี่ยากนะถ้าปล่อยชั่วครั้งชั่วคราวนี่ก็พอปล่อยง่ายถ้าปล่อยถาวรเนี่ไม่ยึดกายคือภูมิธรรมของพระอนาคามีนะพระอนาคามีเนี่ยท่านแจมแจ้งว่ากายนี่เป็นก้อนทุกข์ล้วนๆหรือกายเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ลวนๆถือจะปล่อยได้ถ้าไม่แจ้งตัวนี้ไม่ปล่อยหรอก หลวงปู่หลวงพ่อตาเป็นโยมนะมีคราวหนึ่งหลวงปู่สุวัตเนี่ยท่านมาอยู่อเมริกานานท่านกลับไปเมืองไทยไปอยู่ที่ส่วนทิมส่วนทิมอยู่ปากเกร็ดหลวงพ่อก็ไปกล่าบท่านตอนนั้นนะหักภาวนาแนละ้วเห็นจะิตมันปล่อยกายออกไปนะแต่ปล่อยแล้วเดี๋ยวก็ไปจับปล่อยแล้วก็เดี๋ยวจับหุบๆโปรโผล่นะนไม่ใช่ธรรมะจริงหลวงหุบๆโปรโผอยู่นะนีวันที่ไปหาท่านนะ ปกติเนี่ยจิตมันปล่อยอกายแล้วกายก็ทํางานจิตอยู่ต่หากฝึกอย่างนี้เรื่อยๆวันที่ขับรถไปหาท่านตอนนั้นยังไม่ได้บวชไปกับแม่ชีสองคนเนี่นะขับรถไปตอนนั้นแม่ชีไม่ได้บวชนะไม่ใช่หลวงพ่อเป็นฆราวาสไปหลอกแม่ชีไปไม่ใช่แม่ชีกปยังไม่ได้บวชหรอกไปหาหลงปู่สุวรสดิ์เพราะขับรถไปหาท่านเอ อ, อาแาวบ้านไปเมนาะเลยจิตดันจะจับกายเข้าไปอีกนะ ทีแรกมันปล่อยกายได้นะว่าจะเอาอรื่อนี้ยไปให้ท่านดูว่าจะถูกไม่ถูกจะต่อยยังไงมันดันเขาไปจับอีกจับไปเฉลียวท่านจะถึงที่ที่ท่านอยู่แล้วนะมันก็ไม่ปล่อยนะ่ว่าทํำไงก็ไม่ปล่อยนะสุดท้ายใจมันเฉลียวคิดขึ้นมาแป๊บเออมันเป็นอนันตานะมันจะจับมันก็จับของมันเองมันจะปล่อยมันก็ปล่อยของมันเองเราทําอะไรไม่ได้หรอกใจมันคิดอย่างนี้นะ ใจมันโปรงตกนะเริ่มดิ้นที่จะให้ปล่อยกายมันหลุดปุ๊บออกมาเลยไม่ใช่มักผลอะไรนะหรจะมั่วนะแค่ว่ามันปล่อยกายครับไปชั่วคราวเท่านั้นเอาปล่อยเข้าไปนะก็เป็นหาหลวงปู่นะพร ะ, พระท่านก็เชนะ็ดนะจย์จรัสมั่าจำรัดไปเช็ดหลวงปู่ออกมากราบหลวงปู่นะหลวงปูน่นี่ท่านเก่งมากนะท่านเก่งมากจริงๆหรือจิตท่านไวมากเลยพอท่านเห็นท่านก็ยิ้มๆนะ ท่านบอกว่าเวลาจิตมันเข้าไปจับกายไม่ได้พูดผมว่าไม่ได้ส่งงานบ้านเลยนะท่านบอกเลยเวลาจิตมันเข้าไปจับร่างกายนะทำงานก็ไม่หลุดหรอกถ้าเห็นใจรักมันก็หลุดเลยลท่านสรุปเป็นสิ่งที่เราเข้าใจให้มาโอเ้เก่งจริงจริงนะแล้วต้องหัดนะค่อยๆหัดถ้าเมื่อไหร่เราเห็นความจริงของร่างกายนะว่าร่างกายนี้เป็นก้อนถูกรวน จิตจะปล่อยร่างกายแล้วไม่จับหญิงแต่ถ้าไม่มีปัญญาเห็นจริงๆนะจะปล่อยแป๊บๆเดี๋ยวค่อยมาจับใหม่นะ่ต้องฝึกนะต้องฝึกดูความจริงของร่างกายให้มากเลยพรเห็นความจริงของร่างกายเนืองร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีร่างกายนี้ไม่ใช่ของพิเศษไม่ต้องจิตเอาแต่รู้สึกเอาอย่าเพวกเรานั่งอยู่นเนี่เมื่อยบ้างยังเมื่อยไหมเมื่อเราวคอยรู้สึกนะอย่าเพิ่งขยับพอรู้โอ้เมื่อยแล้วก็ค่ขยับหน่อย ขยับได้แต่ว่าอย่าขยับก่อนรู้ให้รู้ซะ ก, ก่อนแล้วค่อยขยับนะเมืเราลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าไปเรื่อยๆทุกเรือสูงทุกใช่ไหมหายใจออกสิหายใจออกไปเรื่อยๆทุกเรือสูงทุกนะแล้วทุกอยู่ทุกเราหายใจเข้าออกนะร่างกายเนี้ย ทุกอยู่ทุกทุกอิริยาบถนั่งอยู่ก็ทุกยืนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกนอนทุกไหมนอนนะก็ต้องพลิกใาพลิกกว่านะเพรมันทุกนั่งอยู่ก็ต้องขยับไปขยับมามันทุกเดินนานก็ทุกนั่งนานก็ทุกยืนนานก็ทุกนร่างกายไม่มีทุกบีบคั้นอยู่ทุกทุกอิริยาบถเนี่ยดูของจริงก็้าไปอย่างเนี้ยหรือร่างกายมีความทุกบีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอันเนี้ยถ้าสมาธิเราพอนะ เราจะเห็นเลยว่าเราหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าเราหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกร่างกายนี่มีแต่ทุกรุนรวนเลยเมื่อดูไปเรื่อยนะจนวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงว่ามันมีแต่ทุกข์มันจะสลัดกายคืนกายให้โลกไปนะอันแรกเลยที่มันจะปล่อยได้นะมันปล่อยอารมณ์ได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้มันปล่อยทิ้งได้ต่อมามันปล่อยกายทิ้งได้ขั้นสุดท้ายนะขั้นสุดท้ายนะ มันจะปล่อยจิตได้จิตปล่อยจิตได้หลวงปูส่สวรเนี่ยท่านเคยเล่าเมื่อท่านภาวนาภาวนาอยู่นะมันเหมือนเอามือรวบมารวบจิตให้มันนะถอนออกมานะว่างลงเหี่ยวไปเลยสลัดคืนจิตให้โลกได้นะอาการลีลาการสลัดคืนจิตให้โลกของครูบาอาจารย์แต่โลกไม่เหมือนกันหรอกนะท่านเล่าเราก็จะสนุกมากเลยในแวดวงนักปฏิบัตินะ คือขั้นสุดท้ายเนี่ยจิตจะปล่อยวางจิตนะเบื้องต้นเลยเบสิกเลยจิตปล่อยอารมณ์นะไม่ยึดถืออารมณ์นะขั้นกลางคือขั้นของพระนางคามีนะจิตจะปล่อยกายไม่ยึดกายแลกายเป็นก้อนทุกข์แต่ยึดจิตหลวงปู่ ด, ดุลย์เคยบอกหลวงพ่อนะว่านักปฏิบัติใหญ่ๆครูบาอาจารย์ดังๆเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะไปเป็นผีใหญ่แลอย่างนี้คือคนยังไม่สามารถปล่อยวางจิตได้ แต่ยึดถือตัวจิตผู้รู้เอไว้รักษาจิตเอาไว้ตลอดเวลาเลยก็ยังไม่เห็นว่าจิตนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์งั้นการเดินปัญญาขั้นสุดขีดนะจะมาเห็นจิตนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าจิตนี้ปล่อยวางจิตได้ถ้าจิตปล่อยวางจิตได้ก็ไม่มีอะไรให้ยึดจิตนะมันจะเข้าไปสู่คําพูดคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่าสัพเพธรรมานาลังมาพินิเวศัยาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมัน ไม่ยึดอะไรบ้างไม่ยึดอารมณนะ์รูปเสียงกยลิ่นรสสัมผัสอะไรก็ไม่ยึดไม่ยึดอะไรอีกไม่ยึดกายไม่ยึดอะไรอีกไม่ยึดจิตไม่มีอะไรให้ยึดนะตรงที่จิตคืนจิตให้โลภไปนะเราจะแจ้งปัิพานะเห็นปัิพานเป็นบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเลยปัิิพนานมีจริงๆนะพวกเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงได้ทุกคนนะ แต่ว่าเรามันมีสิ่งที่ปิดกั้นพันิพานทําให้เราไม่เห็นนะสิ่งที่กั้นพันิพานไหมอันได้ก็คือใจที่มันมีความอยากทุกคราวที่มีความอยากเกิดขึ้นนะใจจะไกลพันิพานออกไปเพราะพันิพานเป็นสภาวะที่สิ้นอย่างสิ้นปัญหาถ้าใจเรามีความปลูงแต่งดิ้นโรนปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วปรุงว่างๆกระทั่งปลูกความว่างนะก็คือปรุงปรุงว่างเขาเรียกว่าปรุงอาเรนชาพิสัมภาร ตรงชั่วเรียกว่าอปุญญาพิสังขารตรงดีเรียกว่าบุญญาพิสังขารใจยังตรุงอยู่นะเขาไม่เห็นพันิชภานถ้าเมื่อใดใจสิ้นอยากนะถ้าใจสิ้นปรุงนะใจไม่ยึดถือกายยึดถือใจจะเห็นพันิชภาณฑ์ใจจะสิ้นอยากได้ก็ต้องมาเห็นความจริงของกายของใจนี้หมดความยึดถือในกายในใจนี้ถึงจะสิ้นอยากได้ ใจ่ะสิ้นความปลูกแต่งก็ต้องเมื่อหมดความยึดถือกายยึดถือใจนั่นแหละอันเดียวกันะเพราะฉะนั้นเราต้องมาพอนานนะมาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ต้องไม่ใจลอยนะมีจิตใจอยู่กับเนื้อกัตัวเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้แต่ต้องไม่นั่งเพ่งกายเพ่งใจนะนักปฏิบัติจํานวนมากเลยทําไม่เป็น กาที่จะดูกายดูใจตามความเป็นจริงแล้วก็นั่งเพ่งกายเพ่งใจแล้นั่งเพง่งนะจะหันหน่อยก็ต้องจ้องไว้จะยิมก็ต้องรู้นะนะอยันไม่ได้เลยนะโผล่หกลองลวงเลยไม่ใช่ของจริงหรอกนะมันเพ่งอยู่จะกระดูกกระเด็กเลยโอ้เพ่งนะจะกินน้ำสักแก้วนะ เพ่งจังโอ้กว่าจะได้กินน้ํำน้าไตวายไปกูนมากไปเคลื่อนไหวเรารู้สึกไปตามธรรมชาตินะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวเหมือนจิตใจคนอื่นจิตมันโกรธมันไม่ใช่เราโกรธนะเห็นมันโกรธไม่ใช่เราโกรธดูไปอย่างนี้ร่างกายมันไปยักหน้าไม่ใช่เราไปยักหน้าเมื่องตอนไอยจะคิดไปกดก็ได้ร่างกายไปยักหน้าไม่ใช่เราไปยักหน้า แต่าเบื้องปลายมันจะแค่รู้สึกรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราหรอกรู้สึกถึงจิตใจที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราหรอกดูไปเรื่อยนะถอนความเป็นเราได้ได้โสดาเห็นแจ้งลงไปว่ากายนี้เป็นก้อนทุกข์ได้ผ่าหนหักขาเห็นแจ้งว่าจิตเนี่เป็นก้อนทุกข์เป็นภาระเส้นทางเดินที่ครูบาอาจารย์พาเดินเดินมาอย่างนี้นะจิตมันก็ปล่อยจิตได้นะพ่อเคยเจอ เจอตั้งแต่เป็นโยมปล่อยแล้วก็หยิบปล่อยแล้วก็หยิบนี้นะตอนมาบวชพรรษาแรกภนะาวนาไปจิตปล่อยจิตออกไปเอ๊ะพระอรหันอะไรมาความรู้น้อยจังอีหยิบขึ้นมะาหยิบนะหยิบขึ้นมาอีกในตอนออกพรรษาปี44ีนูปี 44, นะป44ออกพรรษานะนึกถึงหลวงปู่สวรรนึกน้องท่าน่วยหนักแล้ว ญาติยโยมที่อุปตักท่านเพราปมัดปากเขาน้อยคุณกับหลวงพ่อม่ดปากเขาน้อยเขาก็ส่งข่าวมาว่าหลวงปู่อาการไม่ดีแล้วล่ะน ะ, นะบอกมาตั้งแต่ในพรรษาออกพรรษาได้รีบไปหาท่านเลยไปกลับท่านนั่งหน้าบุตรท่านนะพะกักใจพระก็เข็นท่านนั่งรถเข็นออกมานะตอนนั้นท่านตุ่ โต๊ะยาเขาเยอะเลยท่านจะเบื่อเื่อท่านอออานั่เบื่ออะไรเงี้ยหลวงพ่อเข้าไปกลักนะหลวงปู่ครับพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตนะพอพูดประโยคนีนะ้ท่านตื่นตัวขึ้นมานะจิตท่านอ l e r ขึ้นมาตื่นตัวได้ยินมาดูจิตท่านตื่นตัวผมก็ปล่อยจิตออกไปท่านกำลังนั่งเห็นเอนอ่งนี้นะท่านลุดขยับขึ้นมาอย่างนี้นะ ถ้าผมคุยจิตมันคือไม่ท่านงเตก็ยิ่งต่อจิตก็เจนต่อเลท่านก็โหนเลยไม่เอามาทําไมนะไม่มีอะไรแล้วปล่อยมันไปเลยท่านสอนนี้พูดง่ายนะแต่มันไม่ปล่อยก็ยจิตมันไม่ปล่อยฮะไอ้ที่หลวงอสอนทนาตลวงปู่เนี่ยมีคนเขาถ่ายวีดีโอไปได้นะอันนี้ยมีวีดีโ อ, อ ใครว่าหลวงพ่อไม่ใช่รู้สิ่งของปุถุวะมันไมจริงเลยเนี่ยมีหลักฐานหลวงปู่บอกว่าพระสกตตะคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นะเห็นสิ่งเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันถ้าว่างี้นะแต่ท่านไม่ขยายความหรอกครูบาอาจารย์ท่านไม่พูดเยอะท่านบอกมันไม่มีอะไรปล่อยมันไปเลยเห็นสิ่งเดียวกันเห็นอะไรเห็นทุกข์ก็สิเห็นอะไร เราเห็นอะไรเองเห็นธรรมสิเห็นปฏิพันธ์สิเมื่อไรเห็นทุกเมื่อนั้นเห็นธรรมเห็นอันเดียวกันนะแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันก็เลยปล่อยได้ไม่เท่ากันท่านสอนนะใจความที่ท่านสอนอันนี้มันจะมีวีดีโออยู่แต่คนไทยนะเขาเพิ่งจะซื้อกล้องมานะเมื่อนั้นหลวงพ่อไปนั่งคุยหลวงปู่นั่งเอกล้องมาแอบถ่ายโครมไปโครมมาเวลาดูเนี่ยะ งั้นหนูไม่รู้เรื่องนะหัวสายไปด้วยงั้นเราภาวนานะภาวนาไปอันแรกเลยรักษาสินห้าไว้ถ้าไม่มีสินห้าจิตจะฝุ่นซ่นให้มีสินห้าจิตจะมีสมาธิง่ายๆ่าอันที่สองเมื่อจิตใจเรามีสินห้าเนี่ยแล้วเราต้องมาฝึกต่อมาฝึกที่จะคอยรู้เนื้อ ร, ร, รู้ตัวอยู่ รู้กายรู้ใจรู้เนื้อรู้ตัวรู้จักรู้เนื้อรู้ตัวไหมมีฝรั่งมาไปแปลให้ฝรั่งด้วยกันฟังมันแปลว่ารู้เนื้อรู้ตัวแปลอะไรเขารู้ะแต่ยากบอกหลวงพ่อเลยว่าแปลยากภาษาไทยเรานะมีเยอะรู้สึกตัวรู้เน้รู้ตัวอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเคลื่อนไหวรู้สึกขั้นที่สามนะขั้นที่หนึ่งรักษาศีลห้าไว้ขั้นที่สองฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละคือสมาธิที่ดี ขั้นที่สมนะดูกายดูใจมันทํางานหลักที่จะดูกายดูใจมันทางานเรื่อยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเปลีนจริงด้วยจิตที่ตั้งมันม่นและเป็นกลานะงฝึกไปเรื่อยนะถ้าทําได้สามขั้นตอนนี้การที่เรามีศีนะจนสีนันอัตโนมัติเกิดการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเดินสมาธิอัตโนมัติเกิดการที่เราเห็นกายเห็นใจมันทํางานจนปัญญาอัตโนมัติเกิดไม่ได้เจตนาจะเห็นไตหลักแต่เห็นเอง เมในสติสมาธิปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยนะพลังมันมากนะมันจะไปะชุมลงที่จิตดวงเดียวจิตจะรวมลงที่จิตนะสมาสติก็จะระลึกรู้จิตสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตปัญญาเข้าใจความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในจิตเพื่อจะเห็นอริยสัจตัวนะนั้นเลยอริยามรรคจะเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาทั้งหมดเนี่ยประชุมลงในขนาดจิตเดียวกันนะประชุมลงที่จิตในขนาดเดียวกันเลย คุณทำความดีทั้งหลายทั้งปวงที่เรื่องโฟติปกักเคียทำสามสิบเจอย่างแล้วไปชุมลงที่จิตในขณะเดียวกันความดีทั้งหมดพอไปชุมลงแล้วจะเกิดเป็นพลังที่มหาศาลจะทําลายอาสวกิเลสได้จะทําลายได้แต่ต้องทําลายทั้งสี่รอบนะถึงจะขาดเด็ดขาดและแหวกทุบขาด <c oughs> ออกไปนะเดี๋ยวก็กลับมาใหม่อย่างนี้สามครั้งครั้งที่สี่ขาดสะบ้านออกไปอันนี้เป็นธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้น หลวพ่อเคยถามหลวงปู่หลวงปู่ครับต้องจิตยิ้กี่ครั้งที่ะพ้นทุกข์นะหลวงปู่ก็นั่งนับหลวงปู่ดูนะนับนับนับสี่ครั้งสี่ครั้งนี่เราฝึกนะอาให้ได้สักครั้งหนึ่งก็ยังดีะชาตินี้เอาสักครั้งหนึ่งเถอะนะเอาให้เห็นนิพพานสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะใครเขาจะเป็นอะไรครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรก็ช่างเขาแ่บเราขอเห็นนิพพานสักครั้งในชีวิตนะ่เอาให้ได้ พอสมงกวรแก่เวลาเทศยาวไปหน่อยมีส่งันบ้านสิบสองคนเชิญพิธีส่งันบ้านเนี่ยปรกกติกาก่อนนะไม่อ้างอิงว่าเรียนจากอาจารย์นี้วัดนี้สอนมาอย่างนี้หลวงพ่อว่าถูกไม่ถูกอรเงี้ยเออพูดอย่างเงี้ยหลอกให้พลาโชคกัน อย่างนี้หลวงพ่อสุวรรณสิทธิ์ไม่ตอบนะเอออเาแต่เรื่องอันที่สองกติกาพระสอนเอาแต่เรื่องปฏิบัตินะเรื่องอื่นไม่เอาบางคนมาถามนะเนี่ยยายผมตายที่เกิดที่ไหนอ่นแม่ผมตายโม่หลวงพ่อเลยตอบเลยตอนแม่คุณอยู่หลวงพ่อยังไม่รู้เลยอยู่ที่ไหนนาว่ามออาอย่างแรกก็ขอกคับขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตา อางที่สองอ ก, ก็ต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนที่ทำให้เกิดวันนี้ขึ้นมาได้อหลวงพ่อลูกเลวงพ่อาทางอินเทอร์เน็ตไม่เคยโวรหลวงพ่อแล้วก็รู้จักไม่เชื่อลกทางอินเทอร์เนตหมือนกันเพราะทางที่รูกไม่สบายแล้วก็ตอนนี้ก็หายดีดีใจที่มกกันกำลังลูกปฏิบัติตามทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนถ้าก็ทุกอย่างดีขึ้นค่ะเมื่อก่อนนี้แบบว่าไม่เคยหลมเลยแล้วก็ไม่เคยทำเชือดเลย ปีนึ่งจะหลงสักครั้งแล้วปีหนึ่งก็อาจจะไม่เคยทําช่วแต่เดี๋ยวนี้ปีหนึ่งวันหนึ่งหลงตลอดวนันแล้วก็ทําชั่วทั้งวนัน อ, อซา่าทุก <laughs> มันต้องอย่างนี้สิครับพวกภาวนาไม่เป็นมันจะรู้สึกว่าฉันนะ่ะดีดีนะคนอื่นเร็วหมดเลยภาวนาเป็นแล้วเราเห็นกิเลสพุดทั้งวันเลยนะแต่ว่ามันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าปัญญา วันหนึ่งนะเจ้าคะ่ะได้ฟังคำพูดที่ไม่พอใจเห็นกิเลยมันผุดขึ้นมาเป็นก้องออดีใจมากอุ้ยเราใกล้แล้วเราใกล้แล้วจากมานนัน้นไม่เคยเห็นอะไรเลยถ้าโลกก็ไม่เห็นนะ <c oughs> ตอนที่เห็นต้องไม่โลก <c oughs> แต่ว่าจะห้ามใจไม่ให้โลกก็ไม่ได้แค่โลกแล้วรู้จิตขณะนี้เป็นธรรมชาติไหมมันดีใจตื่เต้นนะจิตมัน <c oughs> เราไปบังคับมัน ดีใจไม่เป็นไรอย่าไป บ, าบังคับมันถ้าบังคับจะแน่นนะรู้อย่างที่เป็นจิตปกติถึงฐานไห ม, ไมยังไม่ถึงอะไรเลยจ้ะค่ะเราต้องฝึกนะให้จิตถึงฐานวิธีฝึกให้จิตถึงฐานก็คือคอยรู้ทันจิตที่หนีที่จะฐานแค่นี้ไม่ใช่ไปห้ามมันนะห้ามหนีต้องรู้ตัวตลอดไม่มีทางนนะจะเครียดหนักเลยอยากให้จิตถึงฐานก็รู้ทันเวลาจิตมันหนีไปอย่างตอนนี้มันหนีไปจิต ใช่ไหมคิดปุ๊บนะี้ให้เรารู้ทันด้วยนะรู้ทันมันจะกลับมาเองนะต้องมาเองนะอย่าดึงถ้าดึงเราแน่นตัวนี้สําคัญมากเลยเพรถ้าสมาธิเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องจิตไม่ตั้งมั่นนะเดินปัญญาไม่ได้ขันมันไม่แยกอย่างบางคนชอบพูดมักง่ายนะหมดไม่มีสมาธิไม่เกิดปัญญาต้องพูดให้ละเอียดอีกนะต้องมีสมาธิที่ถูกต้องนะถึงจะเกิดปัญญานะไม่ใช่ว่าเออก็นั่งสมาธิ ว่อไงเกิดปัญญาโอ้นี่เกิดได้ไงหรือหน้างแล้วเครียดโอ้ยหลวงพ่อถนัดนะทํามาทุกอย่างแล้วไอ้ที่ไม่ดีนะทํามาเยอะเลยไอ้ที่ดีๆไม่ค่อยมีหรอกจิตหนีไปแล้วหนียังเออไอ้รู้ทันอย่างนี้นะ ท, ที่เรารู้ว่าจิตหนีเนี่ยจะได้สมาธินะแล้วต่อไปก็เดินปัญญาถ้าเดินปัญญาด้วยการดูจิตเนี่ยก็ดูอย่างนี้ต่อเลย จิตหนีก็หนีได้เองนะเอะถ้ารู้ทันก็รู้เองไม่ได้เจตนานจะรู้รู้แล้วก็ตั้งมั่นเองมีแต่คําว่าเองเองแล้วนั่นเลยไม่ใช่เองเองนะเองเองเองมันเป็นเองอ่ะกลัไปนมัสการคา่ะคือไม่เคยไม่เคยเรียนรู้ธรรมะเลยพูดใกล้ใใหม่หน่อย<า>นะยกไม้ออกมาจากเอ็นนักเคยยนได้นะอ่ะ ไม่เคยศึกษาธรรมะนะคะท่าเพิ่งเคยฟังเทปของท่านประมาณปีหนึ่งแล้วก็มีคุณอาสองคนช่วยส อ, สอน <c oughs> คือคำถามตอนนี้ก็คือไม่ทราบว่าตอนนี้มีจิตที่ดีพอที่จะเดินปัญญาหรือยังคะจิตตอนนี้ยังฟุ้งอยู่น ะ, ะให้ถ้ามันฟุ้งมากก็ทาําความสงบทางาําสมถะบ้างแต่เช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะแล้วถ้าจะให้ดีก็พุโทโธพุโทโธแล้วรู้ทันจิตที่มันฟุ้งจิตที่หนี่ จะได้สมาธิที่ถูกด้วยค่ะได้ทั้งความสงบได้ทั้งความตั้งมัน่นหนีไปคิดหรือยังไปแล้วอ่ะอย่างนี้มากมากนะแต่ว่าการที่จะรู้ว่ามันหนีไปเนี่ยต้องทำกรรมาฐานอย่างหนึง่งไม่งั้นเวลาหนีจะหนีนานจะหนีไหลแว บ, บนเลยนี่ยทั้งวันเลยไม่กลับบ้านเลยค่ะเราทำกรรมาฐานอย่างห น, นึ่งขึ้นมาพุโทโธก็ได้ไหายใจก็ได้อะไรก็ได้นะเราดูทันจิตที่ไหลไป ต่อไปพอมันนีไปพุ๊จะรู้ได้เร็วก็จะวันหนึ่งเนยจะหลงได้เป็นร้อยเป็นพันครั้ง <c oughs> ยังไม่รู้เรื่องด้วยหรอไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไปฟังซีดีอีกนะให้กันบ้านนะไปฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆฟังแล้วฟังอีกถ้ามีแผ่นเดียวก็ฟังแผ่นเดียวนะฟังไปเรื่อยๆ <c oughs> การที่เราฟังธรรมะนะถึงจะเป็นธรรมะประโยชน์เดิมนะ แต่เราฟังแล้วเราก็คอยดูกายดูใจเราเรื่อยๆไปนะความรู้ความเข้าใจมันจะเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนประโยคเดิมเนี่หนละความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมไมนฟังแล้วฟังอีกนะอากาศราชการหลวงพอ่อผมยังไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยอืมไอ้ซาว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนครับโอ้เริ่มที่ปัจจุบันนี้แหลยเราปฏิบัติไมนะ่ไปเริ่มที่ไหนนะไม่ไปเริ่มที่วัดไม่เริ่มที่บ้านเริ่มที่กายที่ใจในปัจจุบันนี่แหละ งงบ้างไหมงงก็รู้ว่ากําลังงงอยู่เนี่ยโลภก็รู้ว่ากําลังโลภอยู่หลงก็รู้ว่ากําลังหลงอยู่โกรธก็รู้ว่ากําลังโกรธอยู่นะดีใจก็รู้ว่ากําลังดีใจอยู่เสียใจรู้ว่ากําลังเสียใจเรียนลงปัจจุบันอย่างนี้ไปได้ไม่ยากหลบเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมคืออย่างโน้นคืออย่างนี้เรื่องมากการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนย ถ้าใจไม่ลอยนะดูการทํา ง, งานดูใจมันทำ ง, งานเรื่อยๆไปเดี๋ยวก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาหนีไปคิดเรื่องยังอยากพูดเรือยังอยากนะครับโอเนี่ยเห็น <c oughs> ไหมเนี่ยความอยากมันดังขึ้นตูงนี้เห็นไหมเนี่ยการที่เรารู้ทันใจที่โอ้ใจอยากขึ้นมารู้ว่าอยากนี่แหละการปฏิบัติเลยอย่าไปนึกว่าการปฏิบัติทรามท่านนี้ต้องอย่าง น, น้นต้องให้ธรามาต้องเต็มไปหมดเลยนั่นภาวนามไม่เป็นหรอกอย่าท้อใจ นะห้ามทออใจนะท้อก็ได้แต่ให้รู้ว่าท้อต้องสู้นะต้องมีครูบาอาจารย์หรอกครับก็เรามีพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วนะนะฟังธรรมที่ท่านสอนเรื่องครูบาอาจารย์เนเรื่องพูดยามันอยู่ที่บุญบางคนนะดีๆอยู่แท้ๆเลยไปหาอาจารย์อาจารย์พาลงผิดไปเลยก็มีนะ <c oughs> ต้องดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร กสอนสมถะวิปัสนาการสอนอย่างนี้นะธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสนาไหมมีคําว่าเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยนะคือเราจะรู้ว่าเราจะทําสมถะนะทําเพื่ออะไรทําอย่างไรนะทำแล้วมีผลเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องรู้จะทําวิปัสนาจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรทําแล้วมีผลเป็นยังไงต้องรู้เนื้ออาศัยการได้ยินได้ฟังบ่อยๆงงมากไป ให้รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดส ด, สดร้อนๆ้อนของตัวเองไปเรื่อยๆนะแล้ว ก, การปฏิบัติจะไม่ยากการปฏิบัติทำจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเองเ ร, ยรเงเียนรู้ตัวเองจนเบื้องต้นเห็นว่าตัวเองไม่มีเป็นพระโสดาบันเรียนรู้ตัวเองจนเห็นว่ากายนี้แหละที่ว่าเป็นตัวเราตัวเราเนี่ยจรงิงๆเป็นก้อนถูกจะได้ผ้าหนาคาเรียนรู้ตัวเองจนเห็นว่าจิตนี้แหละเป็นก้อนถูกจะเป็นผา้าหาง คือเรื่องเรียนรู้ตัวเองเท่านะั้นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็กกายกับใจให้กันบานนะยงไปคอยรู้ทันจิตที่มนีไปคิดถ้าจิตนีไปคิดเราคอยรู้จิตนีไปคิดเรารู้แล้วก็ไปรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดส ด, สดร้อนๆในใจอย่างเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ใช้ไม่ได้นะมันนานไปต้องสดส ด, สดร้อนๆ้อนในปีกลายโกรธวันนี้รู้ไม่ไหวอย่างั้นไม่ได้ภาาหรอก ไม่รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆลืมคําว่าภาวนาซะคำนี้มันหลอกเรานะยิ่งคําว่าปฏิบัติเนี่ยหลอกมากเลยคนไทยแปลว่าปฏิบัติว่าทำใช่ไหมมิปัสนาไม่ได้ทําอะไรนะมิปัสนาว่าเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องปัสนาคือการเห็นเห็นอย่างที่มันเป็นไม่โกรธขึมาก็เห็นว่ามันกําลังโกรธโลกเข้ามาเห็นมันกําลังโลกก็ง่ายๆแค่นั้นเองอ่ะกลับไป กราบหุ่มพอ่อเรียนได้ปดแนะนำะวิธีการแก้ไข อ, อุปสรรคที่ที่สำหรับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะค ะ, ะความไม่สม่ำเสมอหนึ่งสองก็ความฟุ้งซ่านเนี่ยรงเป้าเลยแม่ล <laughs> งเป้าเลยหลพ่อพูดปล่อยๆเลยคารวาสเนี่ยนะมีจุดอ่อนสำคัญสองข้อนะถ้าชนะสองข้อได้เนี่ยนะ ง่ายาวะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะมีจุดอ่อนมีจุดแข็งจุดแข็งของคารวาะก็คือเรามีการกระทบอารมณ์มากอารมณ์ที่มากระทบแรงเพราะฉะนั้นมันจะดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจง่ายถ้าขยันดูถ้าดูกเป็นแต่คารวาะจะมีจุดอ่อนสําคัญอยู่สองข้อนะอันแรกสมาธิไม่มีฟุ้งซ่านนั่นแหละวันมานหนึ่งฟุ้งตลอดเวลาไม่พอนาไงนะอีกอันหนึ่งก็คือไม่ต่อเนื่อง ทำทำหยู่หยุดขี่เขียนเนะถ้าเอบแก้สองตัวนี้ได้นะเป็นฆรวาสไม่แพ้พระนะในขั้นโสดาสกตาขาเนี่ยไม่แพ้พระแล้วแต่ขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยฆรวาสชู้พระยากอย่างขั้นอนาคาเนี่ยฆราวาสชู้พรยนะยากเพระพระนี่นะออกจากกามนะออกจากกามฆราวาสเนี่ยอยู่ในกามหมกมุ่นอยู่ในกามกามไม่ใช่เรื่องเซ็กอย่างเดียวนะนี่เรื่อง รูปเรื่องเสียงเร่องกลิ่นเรื่องรถเรื่องสัมผัสไปเงี้ยวันวันใจหมกมุ่นแต่เรื่องเหล่านี้ภาวนานแล้วเห็นทุกข์เห็นโทษของกรรมยากในขณะที่พระเนี่ยนะถูกบังคับให้ออกจากกรรมเวลากรรมเกิดขึ้นในจิตเนี่ยนะจะเห็นทุกข์เห็นโทษชัดกว่าฆราวาสจะได้เปรีบรยบฆราวาสเคยเล่าให้พวกเราฟังได้มีพระองค์หนึ่งลูกเศรษฐีนะมาบวชแล้ววันหนึ่งไปเห็นพระองค์หนึ่งเขาบินทบาตได้ค้าเหนียวถั่วดำ อยากกินนะอยากฉันนะตัวเองไม่ได้สักทีเลยนะอยากได้อยากได้ไม่ได้สักทีเลยนานนะวันหนึ่งบินทบาทเห็นเขามีเขาเหนียวตัวดำไหลถุงนะพระก็เดินเรียงแถวไปมันหมดก่อนท่านท <c oughs> ่านเป็นคนแรกที่ไม่ได้เหมืนใจเาใจแป้วเลยนะแล้วนานไปนานไปวันหนึ่งไปบินธบาทนะได้เขาเหนียวตัวดำมาแล้วพรากรรมฐานนะ อาอาหารมาเทรวมกันนะองค์ที่นั่งหน้าท่านจหยิบออกไปท่านไม่ได้ว่าท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านร้องไห้เห็นนะเห็นไหมเนี่ยคือท่านเห็นทุกเห็นโทษของกรรมเลยนะอถ้าเป็นฆระวาสอยากกินอะไรก็ไปกินแล้วใช่ไมเดือดเดือเที่ยงคืนก็กินได้เป็นพระนะอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนนะบางวันเนี่ยอาหารไม่ถูกปากอาหารไม่ถูกปากหรือไม่มีอาหาร <c oughs> เรื่อง้ารวะที่แพระตอนหลังเนี่ยนะแต่ขั้นต้นๆไมแพ้หรอกแต่แก้สองจุดนะตั้งใจให้เด็ดเดี๋ยวแล้วทําในรูปแบบทุกวันถ้าทําได้นะ่ะสมาธิมิจะดีขึ้นแล้วก็ความต่อนเนื่องมันจะเกิดขึ้นทุกวันต้องทําในรูปแบบนะแบ่งเวลาไปเลยมันจะแก้จุดอ่อนสองข้อนั่นแหละเวลาทุกกวันเนี่ยควรจะเป็นเวลาไหนที่เหมาะที่สุดไหมครับแต่ละคนเหมาะไม่เหมือนกัน หลวงพ่อนะเวลาที่ภาวนาดีที่สุดนะตั้งแต่สมัยไหนๆหนะ่ะช่วงบ่ายสามโมงสี่โมงเย็นนั้แม่ว่นภาวนาดีนะบางคนแล้วภาวนาดีกลางคืนบางคนตอนเช้าเราดูตัวเราตอนไหนเดียวตอนนั้นนะเอาเวลาที่ดีที่สุดนะมาภาวนาส่วนใหญ่ของเร็วที่สุดไปให้พลานะอย่างแก่ก่อนถือจะภาวนา ตอนหนุมสาวเนี่ยเป็นใบที่ดีที่สุดนะเอาให้อยู่กับโลกก่อนม่แก่แล้วไม่มีเรื่องมีแรงแล้วจะค่อยทอนน้ำจะภานาไหวเหรอ <c oughs> งั้นเราเลือกดูนะอย่างถ้าเราว่างงานตอนนี้แล้วเราเพวนาสะดวกตอนนี้นะพ่อนาทุกวันทำให้สม่าเสมอเบื้องต้นทำไม่มากหรอกสิบห้านาที เราไปพอจิตใจมันคุ้นมีความสุขนะมันจะเพิ่มความภาวนาขึ้นบางคนบอกลูกศิษย์หลวงพ่อประมดนั่งสมาธิไม่เป็นไม่จริงหรอกบางคนนั่งวันหนึ่งก็งหลายชั่วโมงเริ่มมาจากสิบนาทีเนี่ยก็นั่งแล้วมีความสุขบางค น, น, นหักโหมเริ่มจากสมชั่วโมงวันแรกสามชั่วโมงที่สองชั่วโมงวันที่สามชั่วโมงเดียววันที่สีไม่เอาแล้ว <c oughs> สวยพวกสิบห้านาทีไม่ได้เต่ามันชนะกระตายก็กด้วยเรื่องนี้เลย ใครใจออกนอกบ้างเห็นไหมแค่เขาลากใหม่ใจเราก็ไปหาเขาละเดี๋ยวาจะกนกลับมาครับกรหกไปเดี๋ยวจะลัมาแต่ตอนนี้อยู่นอุรามนสกหลวงพ่อเจ้าค่ะยมได้ปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่ อ, อโดยการฟังซีดีมาประมาณหกเดือนเจา้าค่ะจึงทำให้ยมทราบว่า ชีวิตโยมที่ผ่านมานั้นอยู่กับความหลงความไม่รู้สึกตัวเออใช่ถูกแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่ได้ปฏิบัติาตามซีดีที่ได้ฟังโยมก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวได้มากขึ้นจิตนี้ไปคิดก็รู้ทันได้บ่อยครั้งขึ้นแล้วก็เวลาโยมออกกําลังกายด้วยการวิ่งบนสายพานบางครั้งโยมจะรู้สึกว่า กายเป็นส่วนหนึ่งจิตที่ไปรู้ว่ากายวิ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่นี่ล้ขันมันแยกแล้วแต่โยมไม่แน่ใจว่าโยมคิดไปเองหรือโยมทราบรจริงทราบจริงจรินะขันมันแยกแล้วจิตก็มีสมาธินะจิตตั้งมัน่นเราจิตเคลื่อนรเราดูเคลื่อนเราดูตั้งมัน่นที่โยมฝึกมาถูกแล้วก็เราเห็นความร้ายของตัวเองเนี่ยเห็นมากเลยจ้ค่ะพีโ <Me S 1> มโหมันเลยเนี่ยนะรู้ทันมัน มันเป็นอะไรรู้ทันมันก็แปไม่ว่ามั น, น, นหรอกเจ้ากักงภาวนดีกักก็ขอบคุณหลวงพ่อครับเนี่ยมีลกูกศิษย์อย่างนี้ชอบนะชอบชอบลกูกศิษย์ใดใดเนยชอบมาก <c oughs> เลยไอหนูดีหนูดีอฝักละตอนไหนฮะนี่ก็ดีเหมือนกัน <c oughs> ต้องเดื่อนนะนะพี่พ <c oughs> ี่เสร็จแล้วเนีายากับมา ท, ทาทำด้านาานี้ต่อได้ไหมครับกว่าโอกาสคน ให้จีตออกนอกยกมือสารภาพมาทั้งห้องเลยนะทํามันไม่รู้ไม่ชี้ <c oughs> จีตออกนอกคือมันไหลออกไปอย่างไรลไปดูเขาถือไม้เนี่ยใจมันไปอยู่ที่เขาลืมไปที่ภาวนานนถูกแล้วดีขอบพระคนค่ะไปทําอีกขคุณคถูกแล้วโยงขอคําแนะนําและแก้ไขคือตอนนี้มันเตื่นเต้นไปประคองไว้หน่อยนะ แต่อี่าวนาอยู่นะถูกครับทำให้สม่าเสมอเลยนะซ้อมในรูปแบบทุกวันจิตเคลื่อนอารู้เคลเารู้ก็ได้สมาธิก็เดินปัญญาคันมัมก็แยกแล้วดีคันยังไม่แยกพระอาจารย์บอกคันมันยังไม่แยกมันแยกสิทำไมจะไม่แยกนะจิตมันถึงฐานแล้วคันมันก็แตกออกไปมันแตกเองนะี มันแต่แะ้วเองบางคนขันไม่ยากเลยต้องช่วยมันแยกต้องช่วยมันะช่วยมันพีารณาถ้าขันมันแยกได้เองเลยก็ตัวขันมันทํางานไปใจหนีไปคิดหรือยังไม่แล้วใจมันหนีไปให้รู้ทันนะไม่ว่าหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้บ่อยๆใช้ได้ไปทําอีกค่ทีนี้ตอนนี้ที่ติดขันก็คือที่วิญญาณขันดับนะคะออื สิบห้าถึงสามจ็ดนาทีต่อหนึ่งชั่วโมงโอ้ดับมากไปไหนจะทํำยังไงคะจะดูกระติดไเคลื่อนไหวทํางานบ้านไปทํางานบ้านนะกวาดบ้านทุบบ้านกวาดแล้วกวาดอีกไปเรื่อยๆเคลื่อนไหว่ลยคือบางคนนะจิตมันเบื่อโลกมันเห็นโลกนี่เป็นทุกข์นะมันหลบหลบก็้าไปว่างหายไปเลย เราไม่ให้มันหาย <ขอ S 1> เคลื่อนไปมัสการหลวงพ่อครับเอ่<ด>อฟัองสี่วพ่อมาได้สี่เดือนแล้วครับก็แต่ก่อนก็หลงยาวครับสี่เดือนทำไดขนาด น, นี้เก่มกมกงมากครับดีก็ตื่นมั่งดับมั่งหายหลงมั่งครับเออดี รู้อย่างที่มันเป็นป น, นะทําให้สลําเสม อ, อดีใช่ได้ครับแล้ว เ, เรื่องกันพิจารณากายครับผมอย่างไรไม่ให้ติดเพ่งครับเดินผมต้องดูแบบร่างกายผมมุบตลอดหรือเปล่าหรือยนีไยคือเดี๋ ย, ย, ไ, ยไปเพ่งมั้นะแค่รู้สึกมั้งแค่รู้สึกว่าขยับตัวเออแค่รู้สึกใช้คําว่าแค่รู้สึกนะจิตใจเคลื่อนไหวก็แค่รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็แค่รู้สึก ไม่ไปจ้องนะดูกายแล้วไปจ้องอยู่ก็ยังดีนะคอยเห็นได้แต่ดูจิตนะห้ามจ้องเลยนะจ้องแล้วจะวางไม่มีอะไรให้ดูเลยให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรว่วเแล้วจริตผลนี้ต้องต้องดูกายหรือ ด, ดูกายไปด้วยดูกายนะนะจิตมีปัรดาแรงนะดูจิตไปด้วยครับนะโทรศัก็เยอะดูไปด้วยคนครับ ส, ส่งใหม่เลยกลัวมาสังเกตจากผมก็ ا, ผมก็ฟังซีดีมาได้สองเดือนแล้วก็พยายามบิติมาได้ประมาณสีเดือนนะครับก็ค ว, วามรู้สึกช่วงนี้ก็ว่าคือก็ไม่แน่ใจว่าบางครั้งก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามีตัวแล้วไปเห็นจิตเห็นกายซึ่งมันแยกกันออกไปแล้วก็ ก็ไม่ทราบว่าไปเห็นจริงหรือป่าต้องต้องฝึกไปเนะร้่อยนะเรายังไม่ชํานาญการเห็นที่ใจก็ไหลเข้าไปรวมนะพอดีก็ไหลี่คิดคให้รู้ทันใจที่ไหลไปคิดคตั้งมันตั้งมันแล้วถึจะเห็นจริงๆได้ใจยังปนกับการคิดเดยอะยคครครับับบแล้วแต่ผมช่วงนี้ก็ใช้เดินจมกรมนะครับไม่ทราบว่าจะจะพ่อละเดินก็พยายามจะ เห็นกายนะฮะแต่ก <guide Hospital> oh ็เห็นว่าคิดกว่าเดิ็เกิดขึ้นมาลรงเดินโชว์ อ่ะหลวงพ่อค่ะวันนี้เป็นวันที่ฝันที่เป็นจริงฝันเป็นจริงเลยโยม อ, อยากจะถามคําถามมานานมากแล้วค่ะดีใจที่วันนี้ได้มาถามค่ะก็ปฏิบัติมาสักพักแล้วแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วพยายามทําให้มันเข้มข้นขึ้นก็เห็นความกังวลคือไปปรุงแต่งเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องให้มันกังวลขึ้นมาแล้วมันก็แน่นหน้าอกมากเลยะโยมก็ดูทีวีเพราะว่ามันทุกมากโยมก็ไปดูทีวีโยมก็อ่านหนังสือกลับมามันก็แน่น แล้วก็โอเคลองสัดใจทนดูมันเพราะมันทุกข์มากแล้วอยู่ๆโ ย, ยมก็เข้าใจว่า <c oughs> ที่โยมทุกข์มากเพราะโยมไม่เคยเห็นตัวนี้นะคะโยมเห็นว่าโยอมรักตัวเองมากเออพอลงเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าที่เรารักตัวเองมากมันก็เลยความกังวลมันก็น้อยลงซึ่งโยมไม่เคยเห็นตัวนี้เลยดีเสียนะพอนานเป็นนะเราเห็นความจริงถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นเลยสุดท้ายมันถึงทาลายความยึดถือในตัวเองได้ เพราะแต่ลคนรักตัวเองทุกคนเลยเป็นธรรมชาติสัตว์ทั้งหลายรักตัวเองมากที่สุดอย่างไอหนุ่มหนุมคนไหนมันมาบอกเราว่ารักเราที่สุดในโลกเลยนะบอกมันเลยเพระโกหกนะชี้หน้ามันเลยผิดหลักมันรักตัวเองที่สุดไม่มีใครหรอกรักคนอื่นมากกว่าเพราะการที่เราเห็นเมื่อโอ้ใจมันรักตัวเองมากเนเห็นตรงความเป็นจริงทําไมรักตัวเองมากเพราะมันยังไม่เห็นความจริงของตัวเราเอง ถ้ามันเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจมันจะรักไม่ลงมันจะร้ายเห็นกายนี่ร้ายจริ ง, รงนะใจก็ร้ายจริงถ้ามันจะเลิกรักไปมีแต่ทุกข์แต่โทษเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วถึงจะเห็นธรรมนะีไปฝึกอีกขอบคุณค่ะหลวพ่อคนเมืองนี้ภาวนานดีๆเยอะนะประส่งกันรณานหน้าฟับหลายคนช อ, อบกลับนมั صار หลวงพ่อคัะ คือได้ฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือมาเกินเมษาแต่โยมเป็นพวกเตดรูปแล้วก็วิตกจริตนะฮะฟุ้งซ่านด้วยก็พยายามอยากจะเริ่มก็อยากจะมาข อ, อกันบ้านคนะ่ะถ้าเราฟุ้งนะเราพุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธพุทโธพุทโธไปนะใจหนีแล้ว ร, รู้พุโทโธพุธโทโธใจหนีแล้วรู้นะใจนจะตั้งมันต่อไปมันไม่ฟุง้งมาไม่ฟุ้งนะจะเห็นกายเห็นใจทํางานได้เอง ตอนนี้เวลาที่ว่าพอพูดโทใจมันหนีอย่างนี้อย่างตอนนี้นะคะโอเครู้แล้วค่ะคิดอยู่แล้วพอเรารู้ว่าเราคิดเนี่ยกลับมาอยู่ที่พูดโทใหม่หรือยังไงท่ น, น, นะ ค, ะความคิดมันจะดับไปเองนะเพราะงั้นเวลาทํางานอย่าไปทํานะเวลาทํางานเรา ส, ส่วนจะเขียนซอฟต์แวร์เรารู้ทันว่าจิตคิดเขียนไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไล่ออกไล้จดจ่ อ, องานไปแต่เวลาที่เหลือเนี่ยคอยรูทันใจที่ไหลไปคิดรู้บ่อยๆแล้วที่ท่านพูดบอกว่า อย่าขคมใจแล้วก็อย่าดึงใจนมันต่างกับมันไปบังคับมั้งส่วนมากมันแทรกแสงนะคนภาวนาไม่เป็นเนี่ยนะจิตมีแบบเยอะหลงหลงหลงหลลงนะคนหัดภาวนาใหม่ๆนะหลงรู้แล้วก็จะมาบังคับมาเพ่งหลงรู้แล้วก็เพ่งเน้นๆทําไมต้องมาเพ่งกลัวจะหลงก็เลยมาเพ่งเอาไว้อีกมาจ้องเอาไว้นะพอภาวนาเก่งๆนะจะเหลือหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้หลงก็รู้ไม่เพ่ง วันน่าสุดขีดปเป็นหลือจะ ร, ร, รู้รู้รู้ไม่มีลงแล้วอย่างเวลาโยมนั่งเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกว่าใจมันไม่ค่อยสงบแต่ถ้าฟังธรรมนี่จะสงบเนี่ยได้เลยถ้าฟังธรรมเาการบ้านที่จะต้องฝึกต่อไปควรจะทำไเจเริญปัญญาบ่อ ย, อยๆไม<ช>่ไม่ใช่จเจริญเมตตาบ่อยๆจเจริญเมตตาเจริญเมตตานะนั่งแข่เมตตาเรื่อยๆฐานเดิมนอบโทสา ย, ยนะค่ะงั้น จเจริญเมตตาไปวิธีจเจริญเมตตาแล้วนั่งนึกเอาสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวนซึ่งกันและกันเลยนึกไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามดูเอาสัตว์ที่น่ารักก่อนกระรอกกระแตอะไรเนี่ยน่ารักแล้ว เ, เป็นสุขเป็นสุขเถิดไะและ้วค่อยๆเอาสัตว์ที่เป็นกลางๆต่อไปให้อเอาสัตว์ที่เราเกลียดอีกคนนี้แหละเกลียดที่สุดก็ <laughs> <c oughs> มีชั้นเฉิงนะอยู่ๆไปแผ่เมตตาให้คนที่เกลียดที่สุดแผ่ไม่ออกหรอก เป็นเม็เป็นสุขเป็นสุโสดเป็นสุขสไม่ได้กินหรอกเมืองนี้มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรนะแห่เมตตาไปแห่เรื่อยๆแ่ไปบ่อยๆจิตจะได้สมาธิขึ้นมาได้ความสงบรงเย็นนะแล้ว่อยมาดูกายดูใจให้เฉลยเมตตาเยอะๆ โยม<ง>ก <krit> ็กําลังสอะไรนะก็ภาวนาอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงยังไงค่ะท่านอเห็นอะไรก็ไม่เห็นอะไรค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าเห็นกิเลสไหมกเห็นเวลาโกรธรู้ไหมนิดหน่อยค่ะเออให้รัวเยอะๆหน่อยอย่าไปประหยัดมากรู้น้อยๆโกรธขึ้นมาก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้ดีใจรู้เสียใจก็รู้ ไปรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้องหนูนะมันมีจุดอ่อนใจมันฟุ้งนะใจมันฟุ้งมันช่างสงสัยช่างคิดฟุ้งเก่งใช่กะทั่งใช่ไม่หลบหรอกไปรู้ลมหายใจไหมหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจใจเคยรู้สึกตัวบ่อยๆไปฝึกอย่างนี้นะคะาสมาธิยังไม่พอ จำได้ไหมคะท่านน่ะให้ไปทำอะไรให้สมาให้อ่ารู้จักตัวตัวเองค่ะแบบว่าหายใจเข้าออกก็เอีให้ยใจเข้าก็รู้สึกนะใหายใจออกโทรไปเรื่อยๆนะท่านดีต้องฝึกเยอะๆนะะถ้าสมาธิเราไม่พอเนะ่ยเราจะดูกายดูใจไม่ได้จริงหรอกค่ะ ไม่ใช่ง่ายนะค่ะท่านยากมากเลยค่ะหลวงพ่อไม่เจียมด้วยหรอเรื่องยากไม่ยากแต่ว่าหลวงปู่ดุลย์เคยสอนหลวงพ่อนะประโยคแรกเลยที่หลวงปู่ดุลสอนหลวงพ่อคือการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติค่ะท่านยากมากค่ะท่านแสดงว่าไม่ปฏิบัติ่ ห น, น, นูเห็นเวทแทนมันจะกระโจนมนจะกระโจนวิชิตเนี่ยลักษณะจิตอย่างนี้นะเป็นจิตฟุ้งซ่านทำอนาปนาสติบ่อยๆหายใจเรารู้สึกหายใจเรารู้สึกหมดทียัง ให้เจชพูดเลยนะ l ัลโหลเจชเจชต้อมามาอยู่ที่นี่นะเจชต้อง <c oughs> มาไหนเจชเนะี่ยเขาแปลกมาก ก็คนแคนาดาปีหนึ่งเขากลับมาทำงานท้งเนี้ยส4เดือนก็แล้วไปอยู่ข้างวัดหลวงพ่ออีกเจเดือนแ้วทำงานที่นี่เงินเยอะไปอยู่บ้านเราค่าครองชีนมันตำ่ำอยู่ได้นาน I e s I notice my mind really getting clinging to sensations and to staying, and uh, and then on the other hand, um, when I, my mind's going off, I um, I just get lost in it, and so I kind of feel lazy. And I was wondering if yes. Okay. He s a i k t h u t he r e a f o o k s and s t u e ฝึกดูจิตไปรู้สึกว่าจิตชอบไปเกาะความรู้สึกในร่างกายไม่รู้ทันว่ามันไปเกาะอ่ะไม่ห้ามัน <Okay. S 2> จิตไปที่ไหนก็รู้จิตไปที่ไหนก็รู้รู้ทันจิตไปได้สุดท้ายก็จะเห็นว่าเราสั่งมันไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจ so he says that just when when the mind gets caught in the sensations to just know that the mind moved to the sensation Okay. Don't try to control it, and you'll see whenever the mind moves to anything at all. Just know that it moved to that. You'll see that it does that all by itself. That the mind isn't under our control. Don't think too much. <laughs> mm -hmm. Just become aware. Much. <laughs> He says you're doing fine. I'm not aware. เห็นร่างกายมันทำงานเห็นเบทนาอย่างความรู้สึกในกายเป็นตัวเบทนาความรู้สึกในใจเห็นท่านทำงานไปเรื่อยๆหรือจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเราเห็นอย่างที่มันเป็นนะ So watch the mind moving from thing to thing just see it as it is and learn to become aware more and more often watching the body move seeing the sensations ยากงกลัว Don't be worried that you're don't. Be, <laughs> don't be worried that you're not smart enough. That's <laughs> a big one. I think that's a big one. That's y s He says. He says your your your biggest problem is that you're worried that you don't you're not going to get it or that you don't understand it. If you're scared, you don't know. Something's <laughs> w o n g Yeah. So just know that you're. Yeah. Now you're controlling. You're focusing. นนที่ผิดกรณีสองอันนัหลงพิชิตไม่รู้ว่ามันไปกลัวมันจะหลงจ้องไม่เพ่งอะไ ร, ะไร so the, the, the, the two areas that we can go wrong is we go to think and we didn't know that we were thinking. The other one is pulling in and controlling or focusing and not knowing that we did that either. กมันทำ ง, งานนะ so just watch it doing these things just watch it work. ดีเจสุกใส่คนนี้่ง He says you're good. You're d o n g g a ที่ส่งคถามที่จับสลากหมดแล้วนะครับแล้วก็กเล้ เขาอยากจะขอาการถวายหนังสือพี่ชุม่มหนังสือหลงปู่ฝากไว้เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเล่มเดียวกันครับ ที่สงบนอกบ้างเนี่ยเห็นี่แล้วจิตหลงอารมณ์นะอารมณ์คืออะไรรูปที่มองเห็นเราสนใจรูปเราลืมตัวเราเองเวลาเราได้ยินเราสนใจเสียงเราลืมตัวเราเองเวลาเราคิดเราสนใจเรื่องที่คิดนะเราลืมตัวเราเองเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราทิ้งตัวเองบ่อยที่สุดเลยนั่นคนเ่็นเขาทิ้งเราเนี่เรื่องเล็กนะเราอย่าทิ้งตัวเองเลย ปู่ไหเออหลวงปู่พูดคำไหนก็คคำนั้นเลยหลวงปู่เป็นพระไม่พูดเนาะเวลาพูดเนี่ยนะคำไหนคำนั้นเลยเพื่อจะหลวงพ่อคืนลยหลวงพ่อคืนอ๋อหลวงพ่อคืนตอนอยังไม่บวชนะก็ไปเรียนจากหลวงปู่ หลวงปู่บอกให้พิจารณาผมเส้นเดียวเราก็คือนะเสียใจว่าหลวงปู่ให้กรรมฐานคนอื่นเยอะบอกเราให้ถูผมเส้นเดียวเส้นเดียวนะ่สองเส้นก็ไม่ได้ <c oughs> เสียใจไม่เอากรรมฐานอย่างนี้น้อยไปเลยไปพาวนาอยู่อินมัเงเปงพรรษาหนึ่งนะไม่ได้อะไรเลยก็ลกลับมาสุรินจะมาสุรินแล้วภาวนาไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งก็นึกขึ้นได้หลวงปู่ให้ดูผมเส้นเดียวเข้ามาดูผมนะดูผมเส้นเดียวจิต์หลบปุ๊บเย่ย หลวงปู่เป็นพระอัศจรรมีโยมคนหนึ่งมปหาหลวงพ่อที่ศรีราชาเนี่ยไปบอกว่าตอนจะลาหลวงปู่มาอยู่ชนบุรีเนียไปบอกหลวงปู่ดิฉันจะไปอยู่ชนบุรีหลวงปู่บอกอ๋อเจ้าจะไปอยู่เมืองน้ําเข็มมือท่าน <c oughs> าบอกเออท่านบอกไปครับดีก็ต่อไปลูกศิษย์เราจะไปอยู่ที่นั่นใช่ไหมเนี่ เขามาเล่าให้เราฟังอีกทีท่านเป็นกลูบมอาจารย์ที่อัศจรรย์มากเลยดีมีบุญยเรื่องหนังสือกที่ข้ามโยลับไปสุรินทร์แล้วก็พ่อที่วดหลพ่อที่อาจารย์ชมไปก้วบอกท่าน้าี่ช่วยเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็โยงหนึุ่ไปพิมนะโยงเมาวน้นนก็ไปไ้ดีโมทนาหนังสือที่ดีนะ หลวงพ่อแจกเลยได้ไหมหลวงพ่อมีเยอะขาายะได้ก็าาามาเอานะ ห, หน่าสือดีเนี่ยเดี๋ยววันที่สามสิบเนี้ยหลวงพ่อจะไปเทศสุรินทะ์รครนบเปไนเทศวัด บ, บุญเลยนะเจ้าขุดก น, นให้ไปเทศปีน้น่ท่านพยายามให้ไปเทศสองคน ถ้าจะคุณบอกโยมว่าหลวงพ่อไม่เคยเอากันเทศกลับเลยถวายวัดทวะเดี๋ยวหลวงพ่อให้พรหน่อยนะเป็นวิธีหกละที่จะไลโยม อาวาริวาาปุราปริปุเรนตีสักังเอวเมวายโตตินังเตตานังุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพุเรนตุสังกปะจันโูปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจ่จตาโรโธรรมาวทันตียอายุวันโนสุขังพงัดลัมไอ้ทุ่งสีอยู่เมืองนี้เหรอไอหน้าพัดมากไกลนะหนวงพ่มาเทศที่นี่นะเป็นรัฐที่ห้านะในทริปนี้ไปมนาะสี่รัฐแล้ว สามอาทิตสามอาทิเดี๋ยวเทศที่นี่พรุ่งนี้เองวันหนึ่งวันจันจะกลับแล้วนะอยู่นานไม่ดี <c oughs> พวกเราภานาเป็นแล้วส่วนใหญ่นะหลวงพ่อมาดูเว่าพวกเราที่ฟังซีดีบ้างอะไบ้างแล้วจะพาวนาได้ไหมว่าน่ะได้โยมก็ภานาดีภาวนาเป็นเยอะๆเรื่องไม่จําเป็นยะยะ ว่าต้องอยู่ใกล้ๆก็ภาวนาไปตามฟังซีดีนะภาวนาถ้าสงสัยก็ไปเปิดซีดีฟังมีทุกเรื่องคาถามความสงสัยของพวกเราเนี่ยจะซ้าไปซ้ำมาเป็นเรื่องไม่ตึงไปก็หย่อนไปแค่นั้นนหะคนไหนไม่ภาวนาก็หย่อนไปคนไหนภาวนาก็ตึงไปให้มีสติรู้ลงไปตามที่เป็นไม่ยากเลย ให้กันบ้านนะไปทำทุกๆคนเพื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นนะข้อกา ร, ร, รนะครับมีเป็นข อ, ขอการให้ตัวแทนถวายดอกไม้หลวงพ่อนีน่นะครับเ <c oughs> ชิญเลยครับ <c oughs>